นามาหิศิรสานิตจังปุเรตวะอาคโตวรังโมขังนาโทอภิชันโตดาวยังหิตวะสารตะกลางโมทังวเนสุดุการัง นา ม, ามีศิราสาธารังพระนราสภะผู้ทรงบำเพ็ญพระบารมีสามสิบทัศนับพบนับชาติไม่ท้วนได้ทรงสเสด็จมาดีแล้วข้าพระเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระนราสภะผู้ประเสริฐพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวเป็นนิดพราะนาถาเจ้าทรงปรารถนามโมกษธรรม สระพระราชโอรสและพระมเหสีทั้งสองพร้อมได้แว่นแคว้นน้อยใหญ่ทรงรื่นลมในภัยสนข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระนาถเาจ้าพระองค์นั้นผู้ทำสิ่งที่ทำได้ยากอย่างยิ่งพระองค์นั้นด้วยเสียงก้าวตัสามุรังมหายานอุเปสีโพธิมันเร ตัสสะบุตทะสะปาเทจาสะโบทยโยนามามิหังพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพยานอันยิ่งใหญ่เสด็จเข้าใกล้ควงไม้โพธิพึกข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมด้วยต้นโพธิพึกนั้นด้วยเศียรกล้าว ขอความสวัสดีจงมีแด่ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายในวันนี้เราท่านทั้งหลายได้มาตั้งสมาทานตั้งจิตในการที่จะประพฤติปฏิบัติกันเมื่อสักครู่เห็นว่าเราทั้งหลายมามอบอัตภาพต่อพระพุทธเจ้าแล้วก็ต่อพระ ทำต่อประสงค์แล้วก็ถวายอัตภาพแดค่ครูอาจารย์เป็นต้นการกระทำในลักษณะอย่างนี้เราทำตามรูปแบบหรือทำตามความรู้และความเข้าใจในพระศาสนาของพระชินเจ้าในะท่านสอนการทำเนี่ยต้องทำจากความรู้และความเข้าใจคือทำจากความเชื่อมัน่น หนึ่งเราเชื่อมั่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมายตรงนี้ถ้าเชื่อมั่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชื่อมั่นว่าเราเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าเนี่ยทีนี้พอเชื่อมั่นในพุทธเจ้าในที่เนี้หมายความว่าเราเข้าใกล้เข้าคบหาการยาณมิตรฉะนั้นการเข้าหาการยาณมิตรเนี่ยหรือมิตรอันมิตรที่ดีที่สุดมิตรที่ประเสริฐที่สุด ในข้อแรกท่านใช้คําว่าการยานมิตรตาการแสวงหาการยาณมิตรทีนี้การในการยาณมิตรนั้นเนี่ยพวกเราทั้งหลายในฐานะเป็นพุทธบริษัทเรามาเข้าหาพระพุทธเจ้าเราเชื่อมั่นพระพุทธเจ้าใ น, น บ, าานบําเพ็นบัทานบารมีศีลบารมีเนคขม้าปัญญาวิริยะขันติสัจจะทิฐานเมตตาเวขาบารมี เชื่อมั่นพระพุทธเจ้าบำเพ็ญพระบารมีสิบอุ ป, ปบารมีสิบปรมามัตถบารมีสิเชื่อมั่นในการที่พระพุทธเจ้านั้นบำเพ็ญพระบารมี30สทัศนับพบนับชาติไม่ท้วนท่งบำเพ็ญพระบารมีมาอย่างยิ่งยวดด้วยความอุสาหะด้วยวิริยะอย่างแรงกล้าด้วยความอดทนอย่างมุ่งมั่นในอันที่จะยังอัตภาพของตนเองนั้นเน่สั่งสมอัธยาสายเพื่อปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า ตามปโนบัิธานวจีบณิธานเป็นต้นที่พระองค์ได้ตั้งอัธยาศัยเขาไว้และที่สุดจริงๆเนี่ยมนุษย์หรือบุรุษผู้หนึ่งเนี่ยก็สามารถทําได้จริงๆด้วยถ้าเรามองอย่างนี้เราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเชื่อมั่นอะไรตอนที่ท่านเป็นพระบรมโพธิสัตว์เนี่ยท่านเชื่อมั่นท่านเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าซึ่งประกอบไปด้วยพระสัพพยโยตัยานเนี่ย เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่หาบุคคลอื่นเสมอเหมือนไม่ได้เมื่อท่านได้เห็นพระพุทธเจ้าท่านก็มีความมั่นใจว่าท่านผู้นี้เป็นพระพุทธเจ้าที่จะนำพาประชาสัตว์สัตว์โลกทั้งหลายให้พ้นจากมหันตภัยคือความเกิดมหันตภัยคือความแก่มหันตภัยคือความเจ็บและมหันตภัยคือความตายความโศกความร่าไรลําพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจและความครับแค้นใจเป็นต้นได้ ทีนี้ท่านก็มาฉุกคิดว่าเออเนี่ยเราก็จักบาเพ็ญบารมีเนี่ยอันยิ่งยวดเพื่อเป็นอย่างมหาบุรุษอย่างพระพุทธเจ้าองค์นี้นี่แหละเป็นต้นแล้วท่านก็สั่งสมอัธยาสายอย่างยิ่งยวดเราท่านทั้งหลายเนี่ยถ้าเรารู้จักพระพุทธเจ้าจริงๆเราจะเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นจริงๆว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบุรุษที่ยิ่งใหญ่แล้วก็หาบุคคลอื่นเปรียบเทียบไม่ได้จริงๆทีนี้ ทีนี้ผมมาพิจารณาอย่างนี้แล้วเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยพวกเรามากันนะั้นที่นี้เรามาสแสวงหากัลยาณมิตรพอสแสวงหากัลยาณมิตรก็คือสแสวงหาพระพุทธเจ้านี่แหละถ้าเราสแสวงหากัลยาณมิตรสแสวงหาพระพุทธเจ้าเนี่ยถามว่าเราแสวงหาพระพุทธเจ้าเพื่อรู้จักพระพุทธเจ้าและเราเชื่อมั่นอะไรเชื่อมั่นพระธรรมที่พระองค์ทรงสแสดงว่าสามารถที่จะเปลี่ยน หรือกลับใจเราได้เนี่ยสามารถนําพากระแสชีวิตของเราเนี่ยให้รอดพ้นและปลอดภัยได้จากภัยในสังสารวัฏเห็นไหมว่าส่วนแรกจริงๆอ่ะที่เราท่านทั้งหลายที่จะเป็นนักปฏิบัติที่จําเป็นจะต้องมีประจําใจคือความเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้านั้นถ้าไม่มีความเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าเนี่ยอย่างอื่นจะด้อยลงหมดเลยนะ เอาทำไมถึงเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าก็เชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นบุคคลที่จะสามารถนำพากระแสชีวิตของเราเนี่ยให้รอดพ้นปลอดภัยจากภัยในสังสารวัฏได้นี่ก็คือเอาความเชื่อมั่นไปเชื่อมั่นไว้ที่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าศรัทธาอารติโอคังเนี่ยไอความเชื่อมั่นเนี่ยนะศรัทธาหรือความเชื่อมั่นเนี่ย จะนําพากระแสชีวิตของสัตว์โลกให้พ้นจากโอคะไภยคือโอค่าเนี่ยโอค่านั้นเป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของห่วงมหาสมุทรโอค่าก็เป็นชื่อของสังสารวัตรนั่นแหละไอ้สังสารวัตก็คือการเวียนว่ายตายเกิดการเกิดบ่อยๆการแก่บ่อยๆการเจ็บบ่อยๆการตายบ่อยๆเนี่ยอันนี้คือปัญหาของสัตว์โลกเมื่อสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ย ไม่เห็นไม่ได้บุคคลแบบอย่างต้นแบบไม่ได้ระดับยอดกัญยาณมิตรอย่างพุทธเจ้าเป็นกัญยาณมิตรเป็นบุคคลผู้คอยชักนําชักจูงแล้วสัตว์โลกก็นําพากระแสชีวิตของตัวเองนั้นไปในทางที่ผิดและที่สุดจริงๆก็ไม่สามารถจะนําพาชีวิตนั้ น, นให้รอดพ้นปลอดภัยจากภัยในสังสารวัฏหรือจากข่วงมหันนอบหรือมหันตภัยนี่เป็นต้นได้ทีนี้ เอาแล้ววันนี้เราก็มามีความเชื่อมั่นอีกทีครั้งหนึ่งเราเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นบุคคลต้นแบบและเป็นบุคคลแบบอย่างตัวอย่างที่นำพาประชาตว์ทั้งหลายให้รอดพ้นจากภัยในสังสารวัฏเป็นต้นได้ทีนี้พอเชื่อมั่นพระพุทธเจ้าเราก็เงียโสดตั้งใจในการที่จะสดับรับฟังพระพุทธเจ้าทีนี้เมื่อตั้งใจสดับรับดับฟังในคาสอนของพระพุทธเจ้า เอาแล้วทุกวันนี้พระเจ้าบาลนิพานแล้วเนี่ยแล้วพระเจ้าจักอยู่กับเราได้ยังไงพระพุทธเจ้าตรัสกับท่านพระนรนว่าดูก่อนอานนรรมและ ว, วินัยที่พระธ ถ, ถาคตแสดงแล้วบัญญัติแล้วทมและ ว, วินัยนั้นจักเป็นศาสดาของเธอหลังการล่วงไปแห่งเราเออถ้ามองอย่างนี้เห็นอะไรเห็นว่ากลยานามิตรคือพระพุทธเจ้าเนี่ย จากอัตภาพคือขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกายกับใจตอนนี้พระพุทธเจ้าแปลเปลี่ยนมากลายเป็นพระธรรมวินยัยธรรมะและวินัยเป็นภาษาสดาซะเองฉะนั้นพอนึกอย่างนี้เราก็ได้รับความอุ่นใจว่าตอนนี้เรามีพระธรรมวินยัยคือคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าในฐานะเป็นองค์แทนของพระพุทธเจ้าเออตอนนี้เราก็ มาเชื่อมั่นแหล่งข้อมูลความรู้ที่พระพุทธเจ้าบอกกล่าวเขาไว้แหล่งข้อมูลความรู้ที่พระพุทธเจ้าบอกเขาไว้นี่แหละจะเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าคอยชักนําชักจูงนําพากระแสะชีวิตของเราท่านทั้งหลายให้ปลอดภัยให้รอดพ้นปลอดภัยเป็นต้นได้สแสวงหาอะไรเนี่ยปัญญาใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็อยู่ในฐานะเป็นปัญญาแล้ว พระเจ้าเป็นแบบอย่างที่ดีฉะนั้นเรามานะสถานที่ตรงนี้เรามาอยู่ร่วมกับกัลยาณชนคือคนที่เป็นคนดีทั้งหลายกัลยาณชนคนที่เป็นคนดีทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะชักจูงกันในทางไหนเขาก็จะชักจูงกันในการให้ทานในการรักษาศีลในการเจริญสมาธิในการอบรมปัญญา ในการที่จะฝึกฝนพัฒนาตนเองเพื่อนําพากระแสชีวิตนั่นให้รอดปลอดภัยจากภัยในในความเกิดแก่เจ็บตายเป็นต้นนี่ไงเราก็เข้ามาในการที่จะนําพากระแสชีวิตของเราเนี่ยมาอยู่ใกล้กับกัลยาณชนคือคนดีทั้งหลายเมื่อเรามาอยู่ใกล้กับกัลยาณชนคือคนดีทั้งหลายคนดีก็จะนําพาเราเนี่ยให้ไปในทิศทางที่ดีไม่ไปในทางที่เสื่อมเสียเป็นต้นลักษณะอย่างนี้ก็คืออะไรเนี่ย ก็คือว่าเราได้แบบอย่างที่ดีทะนั้นเขาได้แบบอย่างที่ดีดังที่ได้กล่าวไว้ก็คือเรามีศรัทธาคือเชื่อมัน่นเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในพระธรรมที่พระองค์ทรงสแสดงถามว่ามีความเชื่อมั่นอย่างเนี้ยมลองสังเกตดูไหมว่าคนที่เขาเป็นนายเรือที่เขาจะบังคับเรือขับเรือในการที่ข้ามมาหาสมุทรข้ามทะเลเนี่ย ถามว่าคนที่เขาจะบังคับเรือขนาดใหญ่เนี่ยเขามีความเชื่อมั่นไหมว่าเขาจะต้องนำพาเรือไปถึงฝั่งได้เขาต้องมีความเชื่อมั่นคนที่ขับเครื่องบินเนี่ยจากประเทศหนึ่งไปประเทศหนึ่งเนี่ยเขาก็มีความเชื่อมั่นนะเขาจะนำพาลูกเรือหรือนำพาบรรบุคคลทั้งหลายที่นั่งอยู่ในเครื่องบินนั้นไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยแต่ถามว่าความเชื่อมั่นนั้นน่เขาเชื่อมั่นโดย โดยหลักลอยโดยไม่มีข้อมูลใช่ไหมเขาเชื่อมั่นเพราะเขามีหลักก็มีข้อมูลเขามีแบบแผนก็มีแผนที่และเขาได้ฝึกฝนก็มาอย่างดีเป็นต้นนี่คือความเชื่อมั่นพวกเราทั้งหลายเนี่ยที่จะเกิดความเชื่อมั่นว่าเราจะนาพาชีวิตของเราเนี่ยให้รอดปลอดภัยจากภัยในการเวียนว่ายตายเกิดเป็นต้นได้เนี่ยมันเกิดจากอะไรเนี่ยมันเกิดจากการฟัง แล้วได้ข้อมูลที่ถูกต้องเมื่อฟังแล้วได้ข้อมูลได้ข้อปฏิบัติได้บทฝึกได้บทศึกษาได้ได้ข้อมูลในการที่จะนำมาประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแล้วก็เกิดความเชื่อมั่นว่าชีวิตเรารอดปลอดภัยแน่นอนนี่คือความเชื่อมั่นนะฉะนั้นความเชื่อมั่นในการเข้ามาณนะสถานที่ตรงนี้อยากให้พวกเราเนี่ย หนึ่งฟังให้เข้าใจเมื่อฟังเกิดความรู้เกิดความเข้าใจแล้วเนี่ยนักเข้าความเชื่อมั่นมันจะมากขึ้นเหมือนคนที่จะขับเรือข้ามทะเลและมหาสมุทรเหมือนคนที่จะนำพาเครื่องบินจากประเทศหนึ่งไปสู่ประเทศหนึ่งนี่แหละ ก, ก็มาจากการที่เขาฟังศึกษาข้อมูลอย่างดีแล้วเมื่อฟังศึกษาข้อมูลแล้วก็มีการฝึกฝนพัฒนาตนเอง เต็มรูปแบบถ้าทำได้อย่างนี้แปลว่านี้ความเชื่อมั่นว่าเราจะนำพาชีวิตของเราเนี่ยอด อ, ออกจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เข้าถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อกูลได้อย่างแท้จริงนี่คือความเชื่อมั่นนะทีนี้ลักษณะของศรัทธาเนี่ยนอกจากเชื่อมั่นอย่างนี้แล้วเนี่ยประการที่สองลักษณะของศรัทธาคืออาการที่ผ่องใสอยอม ลองสังเกต ด, ดูใจเราตอนนี้ที่ยอมลองมองไปที่ใจของเรเองนะมีอาการแข็งกระด้างขุ่นมัวหรือผ่องใสถ้าคุณภาพจิตตอนนี้มันสดชื่นมันเบิกบานมันผ่องใสมันอาจฐานมันร่าเริงเพราะได้ข้อมูลแล้วมั่นใจว่ามาอบลมมาประพฤติปฏิบัติในคราวนี้เราจะได้ข้อมูลจะได้แบบอย่างจะได้บทฝึกข้อฝึกที่ดี ในการที่จะนําพากระแสชีวิตของเราเนี่ยให้รอดปลอดภัยได้อย่างแน่นอนเออพอคิดอย่างนีนผ่องใสไหมฉะนั้นอาการที่จิตร่าเริงผ่องใสขึ้นมาเนี่ยอาการอย่างนี้เขาเรียกว่าเชื่อมัน่นนี่คือศรัทธาพระพุทธเจ้าบอกว่าศรัทธาเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนสองถามว่าคนที่มีความเชื่อมั่นเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ ว, าว้าเวยอมเป็นคนเหงาไหม เป็นคนว้าวเวไหมงอยเหงาซึมเศร้าอยู่คนเดียวไม่ได้มันเหงาเกินอาการอย่างนี้คืออาการที่ขาดศรัทธาฉะนั้นถ้าหากมีศรัทธามีความเชื่อมั่นมีคุณภาพจิตที่ผ่องใสมีความโรดแหลนอยู่ในจิตใจลักษณะอย่างนี้แล้วยาอาการหงอยเหงาเศร้าซึมจะหายไปมันจะมีความล่าเลิงปลอดโปร่งโล่ง เบาสะอาดเยืยมออกในนั้นด้วยน้ําที่ใสกับน้ําที่ขุ่นเนี่ยเห็นไหมถ้าน้ําใสมองไปมันเย็นตาเย็นใจนะน้ําที่ขุ่นเนี่ยมันจะมืดมนจิตที่ขุณเป็นจิตที่มืดมนแต่จิตที่ผ่องใสที่เป็นไปกับศรัทธาเพราะอะไรหนึ่งเพราะเราได้พระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างที่ประเสริฐที่เลื่อมที่สุดแล้วสอง เราจักตั้งใจฟังธรรมเพราะเราเชื่อมั่นว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละจะเป็นหลักข้อมูลที่ถูกต้องเมื่อเราได้หลักได้ข้อมูลที่ถูกต้องทีนี้แหละชีวิตของเราจะได้เดินเข้าสู่การประพฤติปฏิบัติขัดเก่าได้เต็มรูปแบบเสียทีเพราะเกิดมั่นใจเกิดความรู้เกิดความมั่นใจอย่างนี้ขึ้นมาแล้วจิตใจมันก็ล่าเริงปลอดโปร่งขึ้นมาอาการล่าเริงปลอดโปร่งอย่างเนี้ย ลักษณะนี้เขาเรียกมีเพื่อนมีเพื่อนอยู่ประจำใจย่อมต้องดูว่าเพื่อนภายนอกกับเพื่อนภายในเนี่ยอันไหนประเสริที่สุดเพื่อนภายในนี่แหละประเสร us, <B> ิฐที่สุดก็คือความเชื่อมั่นที่ไปยึดยงกับสิ่งที่ดีสิ่งที่มีค่าที่สุดจากการที่เรามีความเชื่อมั่นตอ่อสิ่งอื่นตอนนี้เราก็เอาความเชื่อมั่นเนี่ยไปยึดยงต่อ mi, สิ่งที่ดีที่สุดมีค่าที่สุดก็คือไปยึดยงต่อพระพุทธเจ้า เอาความเชื่อมั่นของเราไปยึดโยงไว้กับพระธรรมคําสอนเอาความเชื่อมั่นของเราไปยึดโยงกับพระรัตนตรัยที่สามคือพระคือ พ, พ, พระสงฆ์เมื่อจิตของเราเนี่ยยึดโยงอยู่กับพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นรัน ต, ะตะนตรัยตัศน์าหมเชื่อมั่นพระรพทรดดุทธเจ้าแล้วก็เชื่อมั่นพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงแล้วก็เชื่อมั่นพระอริยสงฆ์จากศรัทธาหนึ่งก็ขยายเป็นสามศรัทธา กลายเป็นรัตนตยะตสัสธาเชื่อมั่นในพระรัตนตรยัยพอเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยบอกอ๋อมนุษย์ปุถุชนธรรมดาผันแปรตัวเองจากปุถุชนกลายเป็นพระอริยะไปเป็นหนึ่งในหลักของพระรัตนตรัยเป็นต้นไดก็ย้อนกลับมาถึงตนเองแล้วก็เกิดความเชื่อมั่นขึ้นมาว่าสักวันหนึ่งเราจะผันตัวเองจากปุถุชนคนมืดบอดแปลเปลี่ยนเป็นพระอริยะกลายเป็นเป็น ชุมชนของอรลียสง่งชุมชนของพระราตนตรยเราจะต้องทำตนเองให้เข้าถึงสันนคมให้ได้ฉะนั้นรัตนยัตศธานี่ศราในพระราชนตรายเริ่มกลับมายึดโยงศราในตนเองเชื่อมัน่นอาโยมที่นั่งอยู่นี้เชื่อมันม่นไหมเชื่อมั่นพระพุทธเจ้าั้ยเชื่อมั่นพระธรรมที่สุโองทรงสแสดงม เชื่อมั่นไหมว่าธรรมที่องค์ทรงแสดงในแปลเปลี่ยนจากผุุ้ชนให้เป็นพระอริยบุคคลมีท่านพระัญยากลนัญญ า, าเป็นต้นท่านได้เป็นพระอริยะบุคคลแล้วตอนนี้ท่านบริณิพานไปแล้วเชื่อมั่นไหมและเชื่อมั่นอย่างนั้นทั้งสามประการแล้วยึดยงมาเชื่อมั่นกระแสชีวิตของเราไหมว่าสักวันหนึ่งเราก็จะแปลเปลี่ยนจากผุุ้ชนนี่แหละกลายเป็นพระอริยะบุคคลได้สักวันใดวันหนึ่งถ้าเชื่อมั่นอย่างนี้แปลว่าจุดศรัทธาติดในพระรัตนตรัยแล้ว แล้วก็ประคองศรัทธานี้ไว้ทำศรัทธาคือความเชื่อมั่นเนี่ยให้รุ่งโรดให้โชดช่วงให้สว่างจ้าในใจในกระแสชีวิตอย่างต่อเนื่องถ้าทำได้อย่างนี้แปลว่ามนุษย์ท่านนั้นหรือบุคคลนั้นพร้อมที่จะฝึกฝนพัฒนาตนเองเต็มที่จกไม่มีการถอยแล้วเราเป็นแบบนั้นไหม เป็นไม่เป็นถ้าเป็นไอนี้แปลว่าเออเราเริ่มเข้าเข้าเดินมาถูกทางแล้วกาลยานามิตรคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำคัญจริงหนอพระธรรมที่พระองค์ทรงสแสดงก็เป็นประโยชน์มากภริยาสงฆ์ซึ่งท่านได้รู้แจ้งแทงตลอดตามเดินตามพระธรรมมีพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างที่ประเสริฐ ท่านก็รู้แจ้งเห็นจริงตามพระพุทธเจ้าไปแล้วเอาละมนุษย์จากบุรุชนเป็นพระย่าบุคคลได้จริงเออจากบุรุชนเป็นพระโสดาบันถ้าพัฒนาฝึกฝนตนเองและเป็นพระโสดาบันได้จริงจากพระโสดาบันพัฒนาตนเองให้เต็มรูปแบบเป็นพระสกาทาคาได้จริงจากพระสกาทาคาเนี่ยฝึกตนเองให้เต็มรูปแบบพัฒนาไปเป็นพระอนาคาได้จริงๆจากพระอนาคามีบุคคล ฝึกฝและพัฒนาตนเองสามารถเป็นพระอรหันต์ได้จริงเอาละเราเริ่มมีความเชื่อมั่นว่าปูุ้ชนนี้แหละอย่างเราเราที่มืดบอดนี่แหละเมื่อเราได้ระดับยอดกัญยาณมิตรได้พระธรรมของพระองค์มาเป็นบทฝึกแบบฝึกหัดอย่างดีในการที่จะพัฒนาชีวิตของเราแล้วเราพ้นทุกข์ได้แน่สักวันหนึ่งเราต้องพ้นทุกข์ได้แน่เพราะเราจาไม่เดินหลงทางหลงทิศ ให้มันผิดเ ว, เวลาอีกต่อไปแล้วถ้าคิดอย่างนี้จะชื่นใจไหมไอ้ความชื่นใจความมั่นใจความผ่องใสความอาจหารความล่าเลิงนี้แหละเขาเรียกว่าศรัทธาที่ไปยึดโยงไว้กับพระรัตนตรัยชัดแล้วต้องประคองไหมต้องประคองไว้แปลว่าอะไรเมื่อจุดศรัทธาติดแล้วเนี่ยควรให้ดับหมถ้าใครยังจุดไม่ติดควรจุดม ควรจะจุดใช่ไหมเอาที่มานั่งอยู่เนี่ยเรามั่นใจไหมว่าเรากำลังจะประคองไอ้เทียนเล่มเนี้ยกระแสชีวิตกระแสชีวิตเนี้ยแล้วก็ใช้ไฟคือพระธรรมเนี่ยจุดกระแสชีวิตเหมือนเทียนนะที่ยังไม่มีไฟนะแต่ยังไม่มีศรัทธานะแต่อาศัยว่าเทียนนี้ มาเข้าใกล้แสงสว่างที่แท้จริงไม่ใช่แสงสว่างจอมปลอมแล้วก็คือเข้าหากัลยาณมิตรพอเข้ามาเบ็ดเสร็จแล้วก็มาจุดก่อนจุดนี้คือเริ่มใช่ไหมเริ่มเริ่มเออศรัทธาติดอยังถ้าศรัทธาอันแรกไม่ติดนะหนึ่งไม่เชื่อมัน่น ว่ามนุษย์เนี่ยสามารถขวนขวายมีมนุษย์ที่หลุดพ้นได้จริงถ้าไม่เชื่อตรงนี้อูยังอื่นไปไม่เป็นนะเรามาดูดิโอพระพุทธเจ้าเนี่ยจากมนุษย์เรานี่แหละแต่พระ อ, องค์เชื่อไงเชื่อพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเชื่อว่อาธรรมที่พระ อ, องค์ทรงแสดงและในสุดจริงๆตอนนี้ก็ประจักษ์แล้วไง ในเวลาเราสวดมนต์กันก็บอกว่าอิติปิโสภะกวาแม้พราเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระ อ, องค์นั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตัสรู้ชอบได้โดยพระ อ, องค์เองวิ ช, ชาเจรณาสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมในวิ ช, ชาและเจรณาสุกโตเป็นผู้เสด็จมาดีแล้วโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกแจ้งอนุตตรโภริทธรรมสารติสถทธาไล่ไปตามลำดับใช่ไหมเราเชื่อมั่นว่า แม้พระเหตุนั้นพระผู้มีภาคเจา้าพระองค์นั้นพระ อ, องค์เป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไกลาจากกิเลสทัสรูอริยสัจธรรมได้ด้วยตนเองพระรัชชามีวิชา8มีจารณาสิบห้พระรัชกาเสด็จมาดีแล้วเสด็จไปในมชิมาปฏิบนนะัทาในในศีลสมาธิปัญญานะพระรัชกาศเสด็จมาเพื่อยังเวีไนยชนให้ข้ามพ้นจากภัยในสังสารวัฏได้จริงพระธรรมที่พระองค์ทรงสแสดงเนี่ยประจักษ์แจ้งชัดนำผู้ปฏิบัติให้รู้แจ้งเห็นจริง นำกระแสะชีวิตใด้พ้นทุกข์ได้คําสอนพระเจ้านั้นยังบุคคลที่มืดบอดให้รู้ได้จริงๆด้วยเอาละเราเชื่อมัน่นพระธรรมที่พระ อ, องค์ทรงแสดงและเราจะเดินตามพระธรรมนี้แหละแล้วก็มั่นใจว่าเรามีศักยาภาพฉะนั้นว่าพร้พอมมีความเชื่อมั่นในกาลยาณมิตรแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือว่า เราก็ฝากตนเองกับพระรัตนตรยัยมอบอัตภาพใช่ไหมที่พูดมาทั้งหมดตรงนี้มาย้ำเมื่อสักครู่ที่เราท่องกันไม่รู้ได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยเรามาบอกว่าข้าพเจ้าขอมอบอัตภาพอัต ภ, ภาวางังเนี่ยถวายอัตภาพแด่พระรัตนตรยัยและมีอยู่คำหนึ่งว่าถวายอัตภาพแก่อาจารย์เนี่ยคานี้ดึงมาในวิสุทธิมรรค ถามว่าทําไมต้องมอบอัตภาพถวายอัตภาพแก่กครูอาจารย์ยอมต้องดูก่อนนะว่าครูอาจารย์ที่มันนั่งอยู่เนี่ <c oughs> น่าเชื่อถือไหมถามว่าเราจะมอบทรงเดชได้ไหมขออภยนะัยได้ไม่ได้แล้วยอมรู้จักกตมาหรอ <c oughs> รู้จักเลยหรือว่า เพราะมีคนนำก็เลยว่ า, าตามหรื อ, อยังไงเชื่อมั่นไหมว่าเออท่านที่มันนั่งอยู่ตรงนี้จะนำพาคำสอนของพระเจ้ามาบอกเราได้จริงและจะไม่มีการเมคคาสอนขึ้นมาเอาความคิดเห็นคิดอ่านตัวเองขึ้นมาบอกว่านี่คือพระเจ้า ท, ทั้งทั้งที่พระเจ้าไม่บอกและยอมมาเอาอะไรเป็นหลักประกันหรือหรือมอบเล่น มีไหมที่นั่งๆอยู่เนี่ยมีมอบเล่นไหมมอบจริงไหมลืมมอบแบบกักไว้ครึ่งในสมัยก่อนเวลาเขาเขาจะเขาจะมอบเนี่ยรับที่จะมาเรียนกรรมฐานนี่นะโยมนะ ครูอาจารย์จะต้องเป็นคนฉลาดมากเขาดูนะดูเลือกเฟ้นแต่ละบุคคลบุคคลนะโ ย, ยมนะเขาดูอย่างนั้นเลยนะทํทำไมเขาดูขนาดนั้นเพราะครูอาจารย์เขาดูลักษณะบุคคลออกว่าคนคนนี้มีลักษณะในการที่จะสอนได้สอนไม่ได้เป็นคนที่สอนแล้วเชื่อฟังหรือไม่เชื่อฟัง เมื่อสอนแล้วเนี่ยเออเป็นคนกระด้างกระเดื่องอ่อนโยนเป็นต้นใหม่บางทีครูอาจารย์ก็ยังไม่รับก่อนนะว่าขอไปเสร็จเนี่ยครูบาอาจารย์ก็เฉยนะเออยก่อนเป็นอย่างนั้นนะแต่ยกนี้ถามว่ายกนี้จริงๆยมๆยมยอมมอบกี่วันเนี่ยถามจริงเอากี่วันดี 7วันหรือหกเอากี่วันเจวันพอครบเจดวันแล้วขาดัหมแล้วก็ต่างคนต่างไปเลยหรือเปล่าหรือเอาไงไม่ามาจะได้ตั้งหลักถูกว่าพวกเราเนะี่ยจริงนะต้องการพพื่ปฏิบัติจริงๆนะถ้าบอกว่าขอแค่เจดวันเอามาก็จะได้ไดบอก กับตนเองแล้วก็พระที่มาร่วมช่วยในการที่จะอบหลมเนี่ยว่าเออกลุ่มนี้แค่เจ็ดวันนะตกลงยังไงอเอาเอาแค่เจ็ดวันหรือเปล่าไอที่มอบมอบต่อพระธนตรัยเนี่ยยอมมอบแค่เจ็ดวันหรือมอบตลอดชีวิต ตลอดชีวิตนะแล้วจะเปลี่ยนวิธีการไปเรื่อยๆไหมถามหน่อยหรือว่าเอาละไม่เปลี่ยนหลักการแล้วถาว่าจะเปลี่ยนหลักสูตรอบรมไปเรื่อยๆไหมหรือจะใช้นี่แหละจะเจริญตามครูบาอาจารย์ที่บอกนี่แหละจะไม่เปลี่ยนหรือเปลี่ยน ไม่ามาจะได้ทำใจไวยัาางไงล่จริงไหมจริงเอาเวลาเวลาคนที่ก็จะสมัยตัวก็ฝากตัวเป็นสิทธิ์กันเนี่ยเขาก็ต้องถามใช่ไหมถามเออเนี่ยเหมือนคนที่จะมาบวชอยู่ด้วยอะไรด้วยก็ยองถามเนี่ยเอาบวชกี่วัน ก็ถามงั้นเออตรงเนี้ยมาก็ถามเพราะว่ากลัวอะไรกลัวความเชื่อมั่นของเราจะไม่ค่อยมั่นคงเขาบอกว่าสตรีนี่มีความโลเลห้าประการไม่ใช่เขาเนะนี่ในคำสอนเลยนะ ไม่รู้ยมอาจจะไม่เป็นนะยอมอาจจะเป็นผู้หญิงที่มั่นคงก็ได้เดี๋ยวยอมลองดูนะยอมเป็นไหมถ้าโลเลคือกําลังของศรัทธาไม่แข็งแรงนั่นแหละหนึ่งโลเลในการเดินทางยอมเป็นไหมลองถามใจตัวเองยมไม่ต้องตอบอาตมานะถามว่าเราเป็นหรือไม่เป็นจะเดินทางวันนั้นวันนี้เปลี่ยนเรื่อยๆเนี่ยเป็นไม่เป็นนะหรือผู้ชายด้วยนะเป็นไหมเป็นคนโลเลไหมโลเลในการเดินทาง เป็นไม่เป็นไม่เป็นเนาะสองโลเลในเสื้อผ้าวันนี้จะใ ส, ส่สีนู้นวันนู้นจะใ ส, ส่สีนี้มันโลเลไปเรื่อยเลยไม่เคยมั่นคงเลยเนี่ยโลเลไหมเอาสามโลเลในเครื่องประดับเป็นไหมเครื่องประดับ เดี๋ยวอยากประดับตรงนั้นประดับตรงเนี้มันโรเลไปเรื่อยสี่โรเลในอาหารอยากจะเปลี่ยนกินอะไรไปเรื่อยๆ เ, เ, เ, เนี่ยไม่ได้คำนึงถึงว่ามันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายแล้วเอาที่ชอบเอาที่ชอบเป็นประมาณเนี่ยเอาสี่อย่างนี้มีใครเป็นบ้างเนี่ยลองยกมือดยที่มีเป็นไหม นอกนั้นต้องแสดงว่าไม่เป็นใช่ไหมที่ที่ไม่ยกนี่แปลว่าไม่เป็นใช่ไหมอ้าวประการสุดท้ายโลเลในเพศตรงข้าม <c oughs> เป็นไหมไม่เป็นเนะเาะอ้าวตรงนี้แหละอา้าวประการต่อไปและเราจะสมาทานว่าเราจะโลเลในพระราตน้าใจไหมโลเลหรือไม่โลเลจะมั่นคงในพระราตน้าใจไหม มั่นคงนะจะมั่นคงในคําสอนของพระพุทธเจ้าไหมจะมั่นคงไหมที่เราบอกว่ามอบอัตภาพต่อพระรัตนตรัยแล้วเราก็จะถวายอัตภาพจริงๆถ้าพระรัตนตรัยบอกอย่างไรเราก็จะทําอย่างนั้นจะไม่ปฏิบัติให้มันนอกจากพระรัตนตรัยเลยเนี่ยเรามั่นใจได้ขนาดนั้นหรือยังมั่นใจหรือไม่มั่นใจอา้าวมั่นใจนิดๆแต่นะ อารการต่อไปคือนี้แหละคือเมื่อเราเกิดความเชื่อมั่นแล้วสักครู่เรามาสมาทานศิกขาบท8ประการใช่ไหมแล้วโดวยสรุปก็คือเรามาขอศีลมาขอศีลอยอมขอกับใครขอกับใครเมื่อกี้ขอศีลกับใคร ถ้าไม่มีพระขอได้ไหมถามว่าศีลขอกันได้ไหมศีลนี่ขอกันได้หรือไม่ได้แล้วขอทาไมถามว่าศีลขอกันได้ไหมเขาเรียกอะไรเมื่อสักครู่เนี่ยอะไรสมาทานแปลว่าอะไรการถือเอา นะการถือเมื่อสมาทานการยึดถือไว้เพื่อจะเอาไปเป็นหลักปฏิบัตินั่นจริงๆหลักศีลเนี่ยขอกันไม่ได้ที่จริงยมขอศีลพระก็พูดในใจว่ายมศีลมันขอกันไม่ได้หรอกแต่เมื่อโยมขอมาหรือสมาทานแล้วพระก็จะบอกข้อปฏิบัติข้อฝึกบทฝึกให้ให้สังเกตดูนะแต่ละข้อจะมีคำว่า ปาาติปาตาเวรามณีสิกขาปทัาาปทังเนี่ยคำว่าสิกขาปัทังเนี่ยคือสิกขาบทสิกขาบทเนี่ยแปลว่าอะไรข้อฝึกบทฝึกแบบที่นำเอาไปฝึกขัดเกลากายวาจาแล้วก็ใจของเราให้ตั้งมั่นในศีลให้เจริญงอกงามในศีลเห็นไหมว่า พราบอกว่าเอายอมเอาข้อนี้ไปฝึกให้เป็นศีล น, นะให้เป็นเนื้อเป็นตัวให้ได้เช่นเอาข้องลดเว้นจากการฆ่าเนี่ยเอาไปฝึกนะยอมนะให้มันเป็นเนื้อเป็นตัวขึ้นมาจนจิตของตนเองนะไม่เกิดความอาฆาตพยาบาทและไม่น้อมในการที่จะทําชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงทําให้เป็นเนื้อเป็นตัวขึ้นมาให้ได้เห็นไหมเนี่ยนี่คือศีล ยอดก็ขอต่อไปว่าอธินนาธานาเวรมณีสิกขาปัทธังสมาธิยามิพระก็บอกให้ว่าตามอย่างนี้แล้วพระบอกนะบอกว่าโยมนะยอดจงเอาสิกขาบทข้อฝึกข้อที่สองเนี่ยเอาไปฝึกเอาบทนี้ไปฝึกเอาแบบฉบับนี้ไปฝึกหัดขัดเกลาทํากายวาจางตนเองเนี่ยไม่ล่วงละเมิดในการที่จะเอาทรัพย์ของบุคคลอื่นมาเป็นของตนด้วยาการแห่งการกรโมย เอาไปฝึกหัดขัดเกลากให้เป็นเนื้อเป็นตัวให้ได้ให้เป็นศีลเกิดขึ้นมาในชีวิตจิตใจจริงๆให้มันเดินได้จริงๆนะไม่ใช่เป็นแค่รูปแบบในการที่มันนั่งท่องกันแต่เอาไปฝึกให้มันเกิดขึ้นมาได้จริงๆเห็นไหมถามว่าข้อแรกเนี่ยไปฝึกให้เป็นศีลงดเว้นจากการฆ่าไม่ถือสัตราอาวุธไม่เป็นคนโหดร้ายเป็นคนที่มีกุณามีเมตตาจิตเป็นต้น ให้สังเกตดูว่างดเว้นจากการฆ่าด้วยและในขณะเดียวกันในขณะเดียวกันทําอะไรด้วยใจต้องเป็นไปกับเมตตาด้ว ย, ยไหมเ ป, เป็นไหมเป็นไหมงดเว้นจากการฆ่าแล้วตอนนั้นใจโหดร้ายหรือไม่โหดร้ายใจต้องไม่ดุร้ายต้องไม่คิดประทุษร้ายใจต้องเป็นแบบไหน ต้องรักปรารถนาดีเอื้อทอนเมตตาปรารถนาสัตว์ทั้งหลายมีอายุยืนด้วยไหมคิดหรือไม่คิดรักษาศีลข้อนี้ต้องคิดไหมคิดไหมยอมต้องต้องนึกตามด้วยเนะต้องคิดเนะถ้าไม่คิดจะเป็นศีลไมเป็นไม่เป็นไม่เป็นจะเป็นได้ไงล่ะแม้ถ้าไม่เป็นเอายอม ยมว่านกไปขังไว้ในกรงเนี่ยนกตัวนั้นจะมีโอกาสไปฆ่ า, มาแมลงตัวอื่นไหมมีไหมนกมีศีลข้อแรกไหมมีไม่มีมีไห ม, มไหม่มีหรือ้อาวคนไปขังคุกเขาไว้ให้อยู่คนเดียวไม่มีโอกาสไปฆ่าเขาอีกถามว่าคนคนนั้นมีศีลไหมมีศีลข้อแรกไห ม, ม ไม่ได้ไปลักทรัพย์ใครด้วยมีศีลข้อสองไหมไม่ได้ไปประพูตผิดในกรรมด้วยถือพรหมจรรย์ไหมไม่ไปพูดเท็จกับใครด้วยถูกครั้งเดียวมีศินข้อสี่ไหไม่ได้ดื่มสุรามีไรด้วยมีศีลข้อห้าหรือเปล่าให้ที่นอนไม่ดีด้วยมีศีนข้อหกไหมไม่มีโอกาสเล่นเล่นด้วยเพราะไม่มีวิทยุโทรทัศน์ในนั้นไม่ได้แต่งตัวเป็นต้นด้วยถามว่าศินแปดครบไหมเนี่ย คนติดคุกอะ่ะทำไมคนติดคุกคนยากจนน่ะสีเลนะสุกติยันติสีเลนะนลนะโพกสัมปทาเขาศีลจะได้โพกทรัพย์น่ะทำไมเขาย่ำแย้งัน่นแหละชีวิตก็ไอ้ยมฟังเรางงไหมเนี่ยงงไหมงงไม่งงงงใช่ไหมอย่างนั้นเอา ใครว่าคนติดคุกที่พูดมาเมื่อสักครู่มีศีลยกมือขึ้นทีกล้ายกหน่อยที่นี่ยองยัมีคนเดียวแล้วนอกนั้นทำท่าไงเนี่ยว่ามีศีนไหมเอาใครว่ามีลองยกยกมือขึ้นทีใครว่าไม่มีอ่ะแล้วตกลงศีนมันเป็นยังไงเขาได้ตั้งใจจะรักษาศีมไหม คนติดคุกเขาได้ตั้งใจไหมเขาได้สมาทานตั้งใจที่จะ ง, งดเว้นจากบาปไหมสรุปแล้วถามว่าคนติดคุกใจเขารุ่มร้อนไหมเร่าร้อนไหมเร่าร้อนอย่างนั้นเขาไม่เรียกว่าศีลนะยอมนะฉะนั้นถ้าเรารักษาศีลได้แค่รูปแบบเราไม่ฆ่าไม่ลักเป็นต้นแต่จิตเราร้อนลุ่มกังวลกังวายเป็นทุกข์เครียดวิตกกังวลอย่างนั้นเรียกว่ามีศีลหรือไม่มี ก็เหมือนกระจับมานั่งขังอยู่ในยวพุตนี่แหละแล้วก็อยู่ในระเบียบกันอยู่นี่แหละอย่างนี้เ้าเรียกสีลไม่เกิดสีนไม่เกิดเพราะอึดอัดเหลือเกินเมื่อไรจะถึงครบกำหนดก็ไม่รู้เนี่ยอึดอัดเหลือเกินทุกข์มากเครียดด้วยมาก็เงื่อนไขยเยอะหมดก็ทุกข์ อย่างนี้เป็นศีลไหมไม่เป็นนี่ไงว่าเออเริ่มจับประเด็นได้นิดๆแล้วนะถามว่ามาสมาทานศีลเพื่ออะไรเพื่ออะไรเนี่ยเพื่อให้กุศลเนี่ยนะตัวความฉลาดทั้งหลายเนี่ยคุณภาพจิตที่ไม่แข็งไม่กระด้างไม่อ่อนจิตที่ไม่ จิตที่ไม่ว้าวุ่นทั้งหลายเนี่ยเป็นจิตที่สะอาดเอี่ยมอ่องผ่อ ง, องแผ้วไร้มวลทินเป็นจิตที่ตั้งมัน่นเป็นจิตที่เป็นไปกับความสุขมันเกิดขึ้นจากการได้กระทําดีนี่แหละมันไม่ได้ทําดีได้ไงกรณีอย่างเงี้ยเราสังเกต ด, ดูทีมาตรงเนี้ยอ้าตอนนี้เรานั่งอยู่เนี่ยนทุกคนนั่งกันอยู่เนี่ยสมาทานศีลกันแล้วถามว่า ข้อแรกเกิดนือยังศีลข้อแรกเกิดหรือยังแล้วด้งดเว้นจากการฆ่าหรื อ, อยังตอนนี้งดเว้นหรื อ, อยังแล้วใจเราเลยเป็นไปกับเมตตาไหมอ่ะลองมองมาที่พระนั่งกั น, นพอมองมาแล้วเนี่ยใจเรามองพอมองแล้วเรามีความเมตตาท่านไหมมีความรากักความปรารถนาดีความเมื่อทอนไหมแล้วคิดไหมว่าขอให้ท่านขอให้พระคุณเจ้าทั้งหลายที่นั่งนอยู่ที่ตรงนี้ จงเป็นผู้มีอายุยืนจงเป็นผู้มีความสุขจงเป็นผู้ที่จเจริญในอายุจเจริญในผิวพันธ์จเจริญในกําลังเป็นคนมีสติปัญญาในการที่จะนําตนเองให้พ้นจากความทุกข์เถิดจิตคิดแบบนี้ไหมคิดไม่คิดหรือเฉยเฉยศีลไม่ใช่เฉยเฉยนะศีลมันเป็นไปการฝึก ที่จะทำให้เกิดขึ้นจริ ง, รงๆอย่างนี้ศีลเป็นรูปประทามหรือเป็นนามารมเป็นรูปประมหรือนามาทมเป็นนามรารมเกิดจากความจงใจเกิดจากการจัดแจงเกิดจากความตั้งใจที่จะทำให้ตัวกุศลศีล น, นั้นเกิดขึ้นในใจเมื่อกุศลศีลเกิดขึ้นมาแล้วจะเกิดความชื่นฉ่ำใจสังเกตได้ว่าถ้าจิตใจเศร้าหมองอ่อนแอเศร้าซ้อยตอนนั้นศีลไม่เกิด ศีลจะเกิดขึ้นในขณะที่เกิดความชื่นช่ใจเกิดความล่าเลิงจิตมันพองขึ้นจิตมันสงบจิตมันเป็นไปกับความสุขและจะเป็นฐานของสมาธิใช่ไหมเพราะศีลเป็นฐานของสมาธิสมาธิก็เป็นฐานของปัญญานี่ถ้าไม่เกิดความสุขที่เกิดจากการรักษาศีลแล้วสมาธิจะเกิดไหมมันเกิดไม่ได้เลย นี่ไงฉะนั้นรักษาศีลต้องทําศีลให้เกิดจริงๆได้ก่อนนะนี่เรากําลังจะฝึกโหมดเข้าในการประพฤติปฏิบัติกันนะใช่ไหมเอาละสีแที่เราไม่เคยฝึกให้มันเดินในจิตชีวิตเราจริงๆเนี่ยสมาธิจะเกิดยากสมาธิจะเกิดยากยอมว่ายากไหมการเจริญศีลยากไหมยากไหมยาก การสมาทานยากไหมไม่ยากการที่จะทำให้ตัวศีลเกิดยากไหมยากไม่ยากเอาลองเอาศีลข้อแรกเกิดให้ดูดังๆ ด, งดงีให้มันเกิดขึ้นมาจริงๆอะ่ะเออต้องฝึกให้เกิดนะต้องฝึกให้เกิดอย่างนี้เป็นต้นนี่เขาเรียกว่าทำตนเองให้ถึงพร้อมหรือทำศีลให้ถึงพร้อมทีนี้ตัวกุศละศีลเนี่ย นอกจากจะเกิดขึ้นในตนแล้วเนี่ยกุศลศีลยังเกิดการจากสัมพันธ์นสัมพันธ์กับบุคคลอื่นด้วย เ, เวลาลคนมีศีลเนี่ยเวลาเราเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องที่มาอยู่ร่วมกันเนี่ยสิ่งที่ควรทำให้มีให้เกิดขึ้นจริงๆเลยนะ ก็คือฝึกในการที่จะเจริญกุศลศีลให้เกิดขึ้นได้จริงๆเพราะศีลเนี่ยโดยหลักการที่จะทำให้ศีลเกิดเนี่ยศีลเขาเอาไว้เจริญตอนไหนเขาเจริญศีลเขาเจริญกับใครเขาเจริญกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันใช่ไหมถามว่าฆ่าเนี่ยเขาฆ่าใครเป้าหมายจริงๆหลักๆทีแรกเลยเนี่ย ก็คือฆ่ามนุษย์นี่แหละใช่ไหมเรางดเว้นจากการฆ่ามนุษย์เป็นต้นใช่ไหมเอามนุษย์เป็นหลักใช่ไหมเป็นประธานใช่ไหมเวลาจเจริญศีลที่จะทําศีลให้เกิดขึ้นเนี่ยก็เพื่อนมนุษย์ด้วยกันนี่แหละเอาที่นั่งกันอยู่ทั้งหมดใช่มนุษย์ไหมเนี่ยเอาเราไม่ฆ่าอยู่แล้วเนี่ยจริงๆเราก็ไม่คิดฆ่าใครอยู่แล้วใช่ไหมคิดไหมเอาไม่คิดก่าแล้วคิดโกรธเคยมีไหม เ, เริ่มมีแล้วนะอย่าลืมนะคิดโกรธ น้อยใจเสียใจไม่พอใจนะ่มีมหมเราไม่พอใจคนหรือไม่พอใจเสื้อผ้าไม่พอใจคนนะที่เราไม่พอใจไอ้ความไม่พอใจแปลว่าเราคิดดีกับเขาหรือไม่ดีกับเขาที่ว่าคิดปฏิทุสลายหรือคิดเกื้อกูลนั่นแหละปริทุสลายนั่นแหละคือต้นเหตุที่จะไปฆ่านั่นแหละคือต้นเหตุที่จะจะฆ่าจะทาลายกระแสะชีวิตเขา ฉะนั้นศีลมันจะพังก็เพราะใจเราตั้งไว้ไม่ดีเห็นไหมก็รักษาศีลจริงๆ ร, รักษาตรงไหนกันแน่เนี่ยตั้งใจให้ดีตั้งจิตให้ดีฉะนั้นจิตจึงต้องเป็นไปกับความโกรธหรือเป็นไปกับเมตตาศีลถึงจะเกิดต้องเป็นไปกับเมตตาคือรักปรารถนาดีนะศีลถึงจะเกิดถ้าเราตั้งจิตที่เป็นไปกับความโกรธความมาฆาาความพยาบาทแล้วเนี่ยแปลว่าตอนนั้นศีลมีอยู่ไหม มีไม่มีเห็นสมบัติของคนอื่นก็คิดอยากจะได้ตอนนั้นมีหรือไม่มีเห็นคู่ครองของคนอื่นเห็นบุตรเห็นสามีเห็นภรรยาบุคคลอื่นก็อยากน้อมเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นของตนเนี่ยอันนี้คิดว่ามีศีลหรือไม่มีไม่มีแล้วเนะี่ยอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมว่าจริงๆแล้วเขารักษาศีลเนี่ยให้กุศลศีล น, นั่งแท่นอยู่ที่ใจแล้วก็จัดแจงดูแลกายและวาจาให้เรียบร้อย ศีลเป็นแบบนี้เวลาจะกล่าวคำพูดนะถ้าศีลที่เป็นไปกับวาจาคือ 1. นําคำพูดนั้นต้องจริงก็คือไม่โกหกนั่นแหละสองมีประโยชน์มีประโยชน์ด้วยนะ 3. พูดถูกการถูกกาละ 4. พูดด้วยเมตตา ถามว่าทุกครั้งที่เราพูดแต่ละครั้งเนี่ยเราตั้งหลักแบบนี้ไหมตั้งไม่ตั้งถ้าไม่ตั้งเจตจำนงแบบนี้ศีลจะเกิดทางวาจาหรือไม่เกิดหนึ่งจะพูดแต่ละครั้งคาพูดต้องตั้งไว้ก่อนว่าเราจะพูดจริงสองเอ๊ดูจริงแล้วต้องดูว่ามีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ถ้ามีประโยชน์เอา้าตามดูต่อไปว่าเหมาะไหมควรแกการควรแกบุคคลไหม แล้วก็เวลาจะเปล่งวาจาออกมาแล้วเนี่ยพูดด้วยความรักความปราถนาดีความเอื้อทอหรือไม่ให้ตั้งเจตจำนงอย่างนี้ทุกครั้งในการที่จะขยับปากพูดถึงจะเป็นศีลถามว่าถ้าเงียบเฉยเฉยเนี่ยศีลมันเกิดทางวาจาได้ไห ม, ไ ด, ไ, หมได้ไม่ได้กุศลศีลทางวาจาจะเกิดได้ไหมได้ไหมเอา ไม่พูดเลยนั่งเฉยกันเนี่ยศีลเกิดหรือไม่เกิดเนี่ทั้งนั้นคนใบ้ก็ศีลเกิดดีใช่ไหมถ้าคนคนพูดไม่ได้นยแสดงว่าเขาไม่เคยผิดศีลเลยใช่ไหมเนี่ยศีลทางวาจาเน่พูดเท็จก็ไม่มีพูดส่อเสียดก็ไม่มีพูดคำหยาวก็ไม่มี พ, มมพูดเพ้อเจอ้อถามว่าคนเป็นใบ้เนี่ยมีพูดเท็จได้ไหมพูดยังไงอ่ะก็ตั้งใจ ตั้งใจแล้วก็แสดงอาการให้คนเข้าใจผิดเนี่ยมันออกจากคำพูดนั่นแหละเห็นไหมจริงๆศีลมันเกิดตรงไหนกันแน่เนี่ยตั้งจิตต้องดีไหมเห็นไหมว่าเออในศีลเกิดแบบนี้คุณภาพจิตต้องมีการดูแลต้องมีการรักษาต้องมีการประคับประคองอย่างดีถ้าไม่สามารถดูแรลรักษาประคองจิตให้ดีกําลังของการที่จะไปฝึกเจริญสมาธิเจริญวิปัสสนาปัญญาจะได้หรือไม่ได้ เอาอะไรนี้เราเริ่มมาฝึกกันแล้วนะเพราะเรามาสมาทานแล้วใช่ไหมเนี่ยพระก็เลยต้องบอกรายละเอียดไว้ก่อนก่อนที่จะเข้าสู่ภาคการประพฤติปฏิบัติกันจริงๆเนี่ยเอาถ้ามานั่งมึนๆอยู่จะเข้าใจไหมเข้าใจไหมไม่ไม่ไม่เข้าใจแน่นอนเอาตอนมานั่งงงๆอยู่เนี่ยไม่เข้าใจหรอก อาคิดว่าเอาท่านจะพูดไงก็พูดไปเแต่เราจะหลับตาไปเรื่อยๆเดี๋ยวความรู้มันจะไหลเข้ามาเองยอมคิดว่ามันมีไหมมีมนุษย์แบบนี้ในโลกไหมมีไหมยอมว่ามีไหมยอมเคยนอนหลับแล้วมันได้ความรู้จากการฝันไหมไม่มีหรอกถ้า ง, งั้นก็ไม่ต้องไปเรียนอะไรศึกษาอะไรกันแล้วใช่ไหมล่ะถ้านอนหลับเฉยๆแล้วมันบรรลุแทงตลอดอไลยได้คนหลับทําได้อย่างเดียวเท่านั้นคือฝัน ยมเคยฝันพ้นทุกไหมเคยไหมเคยฝันรักษาศีลไหมเคยฝันให้ทานไหมเคยฝันว่าฟังธรรมไหมเคยไหมโอ้โหไม่ค่อยมีเลยแล้วเคยฝันว่าเคยฝันเห็นพระนิพพานไหมั้ยไม่มีหรอกแความฝันก็ไม่มีนิพพานเนี่ยเพราะว่าอะไรเราไม่ใช่เป็นพระอริยะเนาะทีนี้เอาละแต่เนี้ย เห็นไหมว่าการรักษาศีลเนี่ยทางกายกับทางวาจาสำคัญมากเนาะแปลว่าหลักที่เราควรที่จะไปฝึกให้มันเกิดจริงๆนี่ท่านใช้คาว่าทากุศลศีลให้ถึงพร้อมท่านใช้คาว่าศีลสัมปทาจะมาจะไล่ไล่ตามหัวข้อที่จริงที่มาพูดมาทั้งหมดน่อยู่ในพระไรบิดกนะอยู่ในพระสุตตันต์แต่บดกในคำภีสังยุต พระพุธทธเจ้าแสดงเรื่องกาลยานมิตตาอยู่สูตรหนึ่งแสดงเรื่องศีแลสัมปทาความถึงพร้อมด้วยสีสูตรหนึ่งแสดงฉันทสัมปทาการถึงพร้อมด้วยกำลังของกุศลและฉันทะนั้นสูตรหนึ่งแสดงเรื่องอัตตาสัมปทาทำตนเองให้ถึงพร้อมทุกด้านนั้นสูตรหนึ่งแล้วก็แสดงในเรื่องของทิฏฐิสัมปทาปรับทัศนคติมุมมองตอนเองนั้นสูตรหนึ่ง แล้วก็อัปมาทัสัมปท า, าแสดงความไม่ประมาทคือการเจริญสตินั้นสูตรหนึ่งแล้วก็แสดงในเรื่องของโยนิสโสมนศสิกาและสัมปท า, าการฝืนคู่ฉลาดคิดเป็นต้นสูตรหนึ่งอามาก็เลยหยิบทั้งเจ็ดพระสูตรเนี่ยมารวมกันแล้วก็มาพูดให้ยอมฟังเพื่อจะเป็นหลักในการที่จะฝึกตนเองให้รอบดานนี่นะไม่ใช่พูดลอยๆไปในเนื้อที่พูดทั้งหมดเนี่ย พูดตามพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านี่พูดในเรื่องศีลพอยอ่อๆอัิการต่อไปคือว่าชันทาสัมปทาทำชันท่าถึงพร้อมชันท่าเนี่ยเขาเรียกมีจิตใจที่ใยรู้ใยสร้างสารรค์เนี่ยคือเป็นผู้มีพลังในความใยรู้ไยดีไยทำายสร้างสารรค์ค่อนข้างแรง ยอมเป็นคนมีพลังหัหยพลังในการที่ไยจะรับรู้ายที่จะสร้างสารรายที่จะทําคือจะฝึกตนเองในการที่จะเจริญศีลสมาธิปัญญาเนี่ยยังแรงกล้าเนี่ยยอมมีกําลังตัวนี้ดีหัหยกาลังตัวฉันท่าสมัมปทานถึงพร้อมไหม <c oughs> คือยอมไย มีความรักมีความใยในการที่จะทำตนเองให้พ้นทุกไหมแรงไหมตัวนี้แรงไหมก็คือว่าคือปรารถนาปรารถนาที่จะทำในเรื่องดีๆงามๆเนี่ยให้ได้ประสบผลที่ดีที่สุด เข้าถึงจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดและเลิศที่สุดมีความคิดอย่างนั้นไหมต้องการที่จะฝึกในการที่จะทำกุลศลศีลตนเองให้ดีที่สุดทำกำลังของความรู้ความเข้าใจในคำสอนแล้วก็ต้องการจะฝึกกายวาจางตนเองให้ดีที่สุดฝึกกายตัวเองให้งดงามฝึกวาจางตัวเองให้งดงาม ฝึกจิตของตนเองให้งดงามให้สะอาดเอี่ยมอ่อง่องแผ้วให้ดีให้เลิอที่สุดตามจุดหมายที่มันควรจะได้ควรจะถือยอมมีความใ่ตัวเนี้ยมีพลังตัวนี้เยอะไหมยเยอะไหมยเยอะถามว่าตั้งใจมาดีมีความใ่ไฟที่จะเป็นคนดีใยที่จะทำดีใยในการที่จะปฏิบัติให้ดีเนี่ยความใ่รู้ใ่สร้างสารรค์ตัวเนี้ยเยอะรอไม่เยอะ เยอะั้มมาตรงเนี้ยใยมีความรักในการที่จะฝึกตนเองเนี่ยนะในการที่จะทำให้ดีตามจุดหมายตามเป้าหมายตามเขตแตะตามผลที่พึงจะได้เนี่ยเราเราเต็มที่ไหมมีความรักเต็มที่ไหมรักในการที่จะฝึกกายรักในการที่จะฝึกวาจารักในการที่จะฝึกใจตนเองให้ได้สุดจริตจริงจรนะิงเนี่ยมีความรักแรงไหม แรงกล้าไหมแรงกล้าหรือไม่แรงหรือเรื่อยๆรืยเรื่อยรืยแบบไหนนี่เ็าเรียกฉันท่าสัมปทาฉันท่าสัมปทานะคือกลุ่มฉันท่าเนี่ย จะเป็นคนที่ไม่จมอยู่นะไม่หลงติดอยู่ไม่ติดคือจะไม่ติดอยู่เพียงแค่แค่ตนเองได้เออมาอยู่ที่สบายๆเช่นจะมานั่งกรรมฐานหน้าที่ตรงนี้รู้สึกมันดีหน่อยเพราะมีแอร์สมมตินะไม่จะไม่ติดกลุ่มตัวกุศลฉันท้าเนี่ยไม่ไม่ติดตรงนี้ถ้าทำฉันท่าให้ถึงพร้อม จะไม่ไม่เลือนเล้อไม่เผยเลยแล้วนี่เขาเรียกว่าฝึกในการที่จะเรียนรู้นะจะหาความสุขจากการทำพวกชันท่านเนี่ย ไ, ไม่ได้หาความสุขจากจากการรอผลหรือไปหวังผลเออสุขที่ได้ สุขที่ได้รักษาศีลยอมเคยเป็นไหมสุขในการที่ได้จิตเราได้งดเว้นจากการฆ่ากายวาจารเราก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนใครไม่ไปฆ่าใครแล้วมีความสุขสุขที่มันเกิดขึ้นจากการที่เราได้งดเว้นจากการรักทรัพย์ไม่ถือเอาของของใครมาเป็นของตนและสุขในการที่คิดให้คนอื่นได้มีทรัพย์ปรารถนาสิ่งใดขาให้เขาสมหวัง ม, มีความสุขในการที่คิดในการที่กระทาแบบนี้ สุขในการที่ไม่เกี่ยวข้องกับคู่ครองในการที่ทําตนให้สะอาดเอี่ยมอ่องพองแผ้วเนี่ยไม่ต้องไปมัววุ่นอยู่กับไอ้เรื่องหยาบหยาบทั้งหลายในทางโลกีม่มีความสุขสุขในการที่ปราถนาให้คนอื่นนั้นเนอ่ยได้ประพฤติพรหมจรรย์สุขจากการที่ได้พูดคําจริงสุขจากการที่ได้พูดสิ่งที่เป็นประโยชน์สุขจากการได้พูดในสิ่งที่เหมาะการเหมาะบุกเหมาะแก่บุคคลสุขจากการที่ได้พูดด้วยเมตตา เป็นไม่เป็นฝึกจากการที่ได้งดเว้นจากการดื่มสุราและเมลยัยฝึกจากการได้เจริญสติให้เต็มที่มันสุข่สุขจากการที่ได้ฝึกตนเองไม่ให้ไม่ได้กินอาหารมันมีความสุขนะยอมเวลาหลังจากเที่ยงไปแล้วนี่เนะี่ยตอนนี้ยอมมีความสุขไหมที่ไม่ต้องไม่ต้องเอาท้องไม่ต้องเอาอาหารไปใส่ท้องอ่เียสุขไม่สุข ถามจริงๆสุขไม่สุขสุขไหมพอเห็นคนอื่นกินอาหารเข้ามัวแต่โอ้โหจะต้องทําอาหารการกินกันตั้งแต่เที่ยงก็ไปแล้วเนี่ยวุ่นวายการกินอยู่นั่นแหละยอมมีความสุขมากเลยไหมโอ้โเราคนแล้วจากสภาพที่จะต้องมาเป็นทาสของไอ้ตันหาที่มบำบํมลบังเ ล, งลงกระแสชีวิตอยู่นั่นแหละต้องมาตอบสนองความต้องการของความอยากอยู่นั่นแหละเราไม่ต้องไปวุ่นวายอีกแล้วชีวิตมันอยู่ได้เพียงแค่นี้แหละ เราได้ขัดเกลาตัวเองเนี่ยโยมมีความสุขไหมถ้ามีความพอใจตรงนี้ขึ้นมาแปลว่าเป็นอะไรเป็นชันทะสัมปทาถึงพร้อมด้วยกำลังของกุศลและชันทะมีความสุขพอมาฟังอย่างนี้แล้วยมมีความสุขไหม ยิ่งฟังยิ่งมีความสุขยิ่งตื่นเต้นยิ่งได้ข้อมูลยิ่งจะได้นำข้อไปฝึกตนเองได้อย่างเต็มที่เต็มรูปแบบไม่ใช่มานั่งหงิกงอแล้วหลับไหลอย่างเงี้ยไม่ใช่อ่ะมันมีความสุขไหมอยากจะบอกว่านี่ชันท้าเป็นแบบนี้ทำให้ถึงพร้อมคือมันถึงพร้อมทุกด้านที่ตนเองได้ใยรู้ใยศึกษาใย ฝ, ฝึกนฝนใยปฏิบัติมันรู้สึก พอใจและสุขใจที่ได้ทำสุขใจไหมที่ไม่ได้ดูทีวีสุขใจไหมไม่ต้องไปดูการละเล่นสุขใจไหมที่ไม่ต้องไปดับประดาตกแต่งไม่ต้องเอาอะไรมาปะทิยงมาม า, มาทาผิวมาพอกให้มันหนาตเตอะอะไรเงี้ยสุขใจไหมถามจริงจริงที่ไม่ต้องเอาอะไรมาทาปากให้มันเปิอะ เ, เปื้อนเลอะเหมือนเลือดติดปากอะ สุขใจมากๆเลยสุขใจจริงๆเลยเนี้ยเป็นไม่เป็นมันมีความสุขสุขแบบนี้เราเขาเรียกว่าศีลสุขสุขจากการได้เกิดความพอใจอย่างแรงกล้าในการที่ได้ฝึกฝนพัฒนาตนเองจริงๆเนี่ยนี่เขาเรียกว่าสุขอย่างพระก็คือสุขจากการได้บวชเนยรู้สึกมีความสุขมากๆ เนี่ยสุขจากการได้มารักษาศีลสุขจากการได้นั่งได้นอนได้ที่นั่งที่นอนไม่สูงไม่ใหญ่นะที่มันเหมาะแต่การฝึกตนเองไม่ต้องตามใจกิเลสเนะี่ยยมมีความสุขไหมสุขไม่สุขถ้าสุขจริงๆเกิดขึ้นนี้แสดงว่ากระบวนการแห่งการขัดเกลาเริ่มหรื อ, อยังเริ่มแล้วเนี่ยเขาเรียกปฏิบัติหรื อ, อยัง เนี่ยการปฏิบัติเริ่มต้นแล้วเริ่มเป็นเข้าหมวดหมู่ชัดเจนจิตตอนนี้จิตจะล่าเริงไห ม, มจิตจะจิตจะพองไหมพอง ม, มีความสุขจากการได้ฝึกไม่ใช่ว่าอาหารอร่อยเหลือเกินโอ้ยหิวมากเลยเนี่ยโอ้ยทรมานเหลือเกินเนี่ยโอ้โห ถ้ามีใครเอาอาหารอย่างดีเลยมานั่งกินต่อหน้าเราเนี่ยนะโอ้โหมากินข้างบนนี้ด้วยตักกินแล้วก็มองหน้าเราให้เรามองเนี่ยเราจะมีความรู้สึกสุขจริงเนาะที่ไม่ต้องไปเคี้ยวกินอาหารเปอะเปื่อนต้องไปล้างปากล้างฟันแลวไปเป็นทาสของตัณหาถามว่าเราจะสามารถคิดได้แบบนี้ไหมแล้วจะมีความสุขทำไมมานั่งกินตรงนี้วะเนี่ยไอ้ตรงเนี้ย ไอความรู้สึกอันนี้อันนี้พูดให้รู้นะว่าโยมโยมรักษาศีลแปที่ผ่านมาโยมเป็นแบบนี้ไหมเอาใครเป็นยกมือขึ้นถามยิงนะเนี่ยถามไม่ใช่ถามแบบคนซีเรียสนะถามแบบจริงๆไงอ่ะเป็นไหมเป็นใช่ไหมมีเป็นคนเดียวเองหรือแบบเนี้ยนอกนั้นล่ะ ไม่จะได้ดูตรวจสอบว่ากระบวนการที่เราจะต้องฝึกกันเป็นแบบนี้นะแล้วต้องฝึกให้ได้แบบนี้นะเพราะเรามามอบตนแล้วใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นคําสั่งว่าคุณต้องไปทํากันแบบเนี้ยไปฝึกให้ได้แบบเนี้ยอย่างนี้เขาเรียกว่ามีฉันทะในการที่จะฝึกจริงๆจะไหวรยเปล่าเนี่ยคอร์สนี่ไหวไหม คิดว่าไหวไหมถ้าจะฝึกแบบนี้ไหวไหมทั้งหมดเหล่านี้งานกรรมฐานเป็นงานทางไหนงานทางกายหรืองานทางใจต้องเป็นไปกับความฉลาดหรือเป็นไปกับความมึนงงต้องเป็นไปกับความฉลาดห้ามเป็นไปกับความมึนงงเด็ดขาดมันได้ฝึกตนเองเต็มที่ถ้ามีคนมาปัุบสลายมาด่าเรา ถ้าคนมีศีลจะมีความารู้สึกยังไงไมมีความารู้สึกยังไงถามจริงๆถ้าเขาด่าเราเนี่ยคนมีศีลเกิดขึ้นจะมีความารู้สึกยังไงมีความารู้สึกยังไงจริงเอออ้าวเราลอ ง, ลองให้ใครลองหันหน้าไปช่วยกันลุ้มด่าหน่อยเดียจะมีความารู้สึกยังไง เราจะสงสารคนอื <laughs> ่นหรือสงสารตัวเรานี่เออคือตรงนี้แมแต่ถ้าคนที่เจริญกุศลศีลแล้วเนี่ยเมื่อประสบพบเจออุปสรรคปัญหาเขาจะถือโอกาสนั้นแหละมีความปรารถนาแรงกล้าในโอกาสนั้นในการฝึกมันจะไปข้ออีกข้อหนึ่งเขาเรียกว่าอัตตะสัมปทา คำว่าอัตตาสัมปทาทำตนให้ถึงพร้อมเนี่ยมุ่งมั่นฝึกตนจนเต็มสุดภาวะที่ความเป็นคนจะให้ถึงให้ได้ก็คือระลึกอยู่เสมอถึงความจริงที่แท้แห่งธรรมชาติของมนุษย์เนี่ย อ, อยงี้ฝึกตนเองให้เต็มเปี่ยมรอบด้านเ้าเรียก อ, อัตตาสัมปทาฝึกตนเองรอบด้านเช่นตอนก็คือกายที่ไม่มีศีลก็ทาให้มีศีลให้เต็มเปี่ยม เออศีลไม่ใช่แค่ศีลห้าศีลแปดนี่มันยังมีข้อปฏิบัติอื่นๆ อ, อีกเยอะเช่นเช่นการที่เป็นลูกควรปฏิบัติต่อคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้เต็มเปี่ยมเต็มเต็มที่เลยท่านเลี้ยงเรามาเลี้ยงท่านตอบทํากฤจของท่านดํารงวงตระกูลทําตนให้เหมาะสมเป็นต้นเห็นไหมฝึกตนเองเต็มที่เลยเห็นไหมไอ้ตรงไหนที่ยังขาดต่ บ, บกพ่อง ทั้งกายทั้งหลายทั้งวาจาเนี่ยตนเองมันยังไม่เต็มที่ก็ฝึกเต็มศักยภาพเต็มความสามารถในการที่ฝึกไอตอนที่ยังมีข้อบอกพร่องอยู่ในะส่วนไหนก็เติมเต็มตรง น, นั้นให้เต็มบริบูรณ์ด้วยการที่ทำให้มันดีขึ้นปรับปรุงให้มันดีขึ้นแก้ไขมันดีขึ้นนี่คือการฝึกตนเองนะมีจิตสานึกในการพัฒนาตนยิ่งยิ่งขึ้นไปจนเต็มสุด ศักยาภาพด้วยความพัฒนาที่พร้อมทุกด้านฝึกยังไงฝึกทั้งด้านพฤติกรรมพฤติกรรมที่แสดงออกทั้งหมดทางกายวาจาฝึกทั้งด้านจิตใจฝึกทา้งด้านปัญญาฝึกตนเองมันถึงพร้อมทุกด้านเอ้าทั้งด้านพฤติกรรมเราถึงพร้อมหรือยังงดงามดีหรือยังบุคลิกภาพพฤติกรรมพฤติกรรมทางกายเนี่ยฝึกเต็มที่หรือยัง เต็มศักยภาพหรือยังเต็มไม่เต็มโดูงดงามเรียบร้อยหมดหรือยังทางด้านพฤติกรรมทางกายอ่ะพยายามนะพยายามอยู่ อ้าวดีทีนี้ทางด้านวาจาใช่พฤติกรรมทางวาจาก็ต้องฝึกไหมถามว่าทุกครั้งที่เราจะพูดเนี่ยเราต้องเราตระหนักทุกครั้งก่อนว่าเราจะพูดคำจริงไหมได้ตระหนักรู้ก่อนไหมได้มีจิตสำนึกรู้ก่อนไหมว่าจะต้องพูดคำจริงคำที่มีประโยชน์เหมาะแก่การพูดด้วยเมตตา ถามว่าเราตั้งใจฝึกแบบนี้ไหมแล้วถ้าตั้งใจถ้าหากว่าอัตตาสัมปทานนะถ้าฝึกพฤติกรรมตัวเองให้ถึงพร้อมจะพูดดิ้งงามมากพูดดิ้งงดงามมากและฉลาดในการพูดถูกการมากและพูดคําที่เป็นประโยชน์มากคํานั้นเพราะเป็นประโยชน์จริงด้วยแล้วพูดแต่ละคําก็ออกด้วยเมตตาทุกคําเลย รักปรารถนาดีเ อ, อื้อทอนบังค้าก็พูดเด็กกระุนาสงสารช่วยให้เขาให้พ้นทุกยังไงบังค้าก็พูดมุทิตาคนอื่นประสบความสำเร็จก็พูดส่งเสริมสนับสนุนเกื้อหนุนมันเหมาะฉลาดถูกการถูกบุคคลถูกเวลาเวลาอุ้มันเป็นเนื้อเป็นตัวหมดเลยแปลว่าฝึกได้อย่างรอบด้านเลยพอออกไปแต่ครบเจวันเนี่ยสามีเห็นก็โอ้โหเราได้ภรรยาใหม่ ภรรยาเห็นก็บอกโอ้เราได้สามีใหม่แม่พ่อเห็นก็เราได้ลูกคนใหม่เพื่อนเห็นแล้วก็ได้เพื่อนคนใหม่พี่เห็นก็ได้น้องใหม่น้องเห็นก็ได้พี่ใหม่มันจะบอกเอ้อทำไมมันงดงามขนาดนี้เนาะคนไปปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้จริงๆเลยนะนี่มันออกมาเป็นเนื้อเป็นตัวอย่างนี้ฟังแล้วอยากฝึกไปแล่วอาตมายังพอพูดไปยังรู้สึกแหม่รู้สึก อยากเป็นพวกเราไปนั่งอบรมแล้วเอินมาจะฝึกตนเองให้เต็มที่เลยนะเนี่ยถ้ า, ามีใครมาบอกรายละเอียดแบบนี้ใช่ไหมแล้วจะไม่ท้อถอยเลยจะมีกำลังใจในการที่ฝึกตนเองให้ถึงพร้อมทุกด้านนี่พฤติกรรมทางกายว่าจ ะ, ะพฤติกรรมทางจิตใจแต่ก่อนเป็นคนติดอะไรง่ายเห็นอะไรหน่อยก็ติดก็ชอบเกลียดอะไรก็เร็ว ไม่ถูกใจหน่อยก็เกลียดก็โกรธก็หงุดหงิดหลงอะไรก็ง่ายเมื่อจิตเรามีปัญหานี่ฝึกเลยมาลาังขาวนี้แหละเราจะมาฝึกจิตของเราให้ถึงพร้อมเอา้าเมตตาไม่เกิดก็ฝึกให้เกิดเมตตาฝึกจิตให้เป็นเมตตาการุณาไม่เกิดก็ฝึกให้เป็นกรุณาเมุติตาไม่เกิดก็ฝึกอุเบกขาจเจริญไม่เป็นก็ให้มันฝึก ความเพียรจิตมันอ่อนแอมันเกียดค้านก็ฝึกให้ความขยันได้ให้ความตั้งมั่นใหงจิตได้ให้คุณภาพจิตที่ดีๆมันเกิดให้ความไม่โลภความไม่โกรธโอ้มันเกิดได้ดีนี่ทั้งด้านจิตใจทั้งด้านปัญญาก็ขณะฟังนี้ชื่อว่ากำลังมาฝึกอยู่ไหมฝึกไม่ฝึก ก, กำลังฝึกตั้งใจฟังไหม ตั้งใจฟังอย่างจดจอ่ออย่างต่อเนื่องเพราะต้องการฝึกตัวเองแบบรอบด้านเอออย่างนี้เขาเรียกว่าอัตตะสัมปทาฝึกตนเองให้พร้อมทุกด้านพร้อมไม่ยังพร้อมที่จะเข้าฝึกนะมีพระพุทธเจ้าแสดงให้เราฝึกฉะนั้นมนุษย์จะประเสริฐได้โดยการฝึกหรือจะประเสริฐได้โดยการอยู่เฉย โดยการฝึกฝน้วยการพัฒนาออาประการต่อไปอันนี้เข้าใจแล้วนะทิฏฐิสัมปทาทำทิฏฐิให้ถึงพร้อมปรับตอนนี้เป็นตัวปรับทัศนคติปรับทัศนคติปรับค่านิยมความคิดความเห็นความเชื่อเก่า ให้สอดคล้องตามแนวของเหตุและผลสําคัญไหมอะไรที่มันนั่งๆกันอยู่ทั้งหมดเนี่ยถามว่าความเห็นของแต่และบุคคลเนี่ยสอดคล้องตามแนวของเหตุผลที่พรุทธเจ้าแสดงหรือยังเนี่ยหรือยังไม่สอดคล้องต้องปรับไหมเราจะปรับความเห็นของเราให้สอดคล้องตามคําสอนของพรุทธเจ้าหรือจะปรับคําสอนของพพุทธเจ้าให้ตามความเห็นของเราปรับใครดีเนี่ย ปรับของใครเออปรับของเราถามว่าคาสอนของพุทธเจ้ามีปัญหาหรือความเห็นของเรามีปัญหา <c oughs> ความเห็นของปุถุชนมีปัญหาฉะนั้นต้องปรับทัศนคติใหม่ปรับค่านิยมใหม่เช่นหลายคนมีทัศนคติต่างๆกันออกไปนะ เช่นบางคนมีทัศนคติว่าฉันเป็นคนที่ต้องการมีโลกส่วนตัวของฉันใครอย่ามายุ่งกับฉันมากนะใช่ไหมาเป็นไหมอยู่ที่บ้านเป็นไหมนี่ฉันยอมแค่เนี้ยถือว่าสุดยอดแล้วนะอยาให้ฉันยอมมากกว่านี้นะตอนนี้มันมีประเด็นว่ามีญาติโยมหลายคนก็บอกเขาไม่ค่อยอยากคุยกับนักปฏิบัติธรรมเท่าไหร่ อามาก็ถามว่าเพราะอะไรไม่รู้เป็นไรท่านอาจารย์ก็พวกคนปฏิบัติธรรมเนี่ยงดหงิดง่ายงายชอบดูถูกคนอื่นว่าไม่ปฏิบัติแล้วผมก็ไปแอบดูเหมือนกันนะว่าเอเข้าปฏิบัติกันยังไงผมก็เห็นเขาไปยืนยืนเดินเดินนั่งนั่งแล้วก็ถึงเวลาก็ไปกินแล้วก็ไปนอนแล้วไปฟังอะไรก็ไม่รู้ ผมอยู่บ้านผมก็ยืนเหมือนกันเน่ยผมก็เดินเหมือนกันน่ยผมก็นั่งเหมือนกันผมก็นอนเหมือนกันผมก็ทํากิจของผมเหมือนกันผมก็ทําหน้าที่เหมือนกันแล้วมันต่างกันตรงไหนก็มันมันต่างกันตรงไหนดิวะแล้วผมเป็นคนไม่เห็นขี้โกรธเหมือนนักปฏิบัติเลยก็ว่แล้ว <c oughs> <c oughs> จะว่าไงอย่างนี้อาผนักปฏิบัติทั้งหลายจะว่าไงอันนี้แสดงว่าเขาตั้งกันคําปัญหาถามใครถามพวกเราใช่ไหม ถามว่าไอ้พวกเราที่เป็นนักปฏิบัติเนี่ยเป็นคนโกรธง่ายไหมง่ายหรือเปล่านั้นทิฏฐิสัมปทาเนี่ยก็คือตั้งอยู่ในหลักของความคิดความเชื่อถือในสิ่งที่ดีงามมีเหตุผลเห็นไหมว่าความเชื่อของเราเนี่ยตั้งอยู่บนเหตุและผลหรือไม่ทีนี้ให้สังเกต ด, ดูนะว่าอา้าวลองดู ทันะคือทฤษฎีความเห็นของสัตว์โลกนะสัตว์โลกมีความเห็นกันอยู่สามยมพวกถ้าแยกออกหนึ่งพวกเชื่อกรรมเก่าเขาเรียกว่าปุเพกตาเหตุวาททิฐิพวกนี้เชื่ อ, ออดีตว่าสุขทุกเนี่ยสมหวังผิดหวังได้ลาบเสื่มลาบได้ยศเสื่มยศนินทาสรรเสริญประสบปัญหาดีใจเสียใจ สมหวังผิดหวังในปัจจุบันเนี่ยเป็นเพราะกรรมเก่าอา้าวใครมีทัศนะแบบนี้บ้างว่าทุกอย่างที่เรากำลังได้รับอยู่ทั้งหมดเนี่ยโทษเพราะกรรมเก่าแนด่ดีทำไว้เอาใครเชื่อแบบนี้ไหมเอายกมือขึ้นนะอมีแค่นี้เองใช่ไหมเชื่อกรรมเก่าเนี่ยมีแค่ไม่กี่คนนะเนี่ยสองเชื่อว่าทุกอย่างเนี่ย มีคนดนบันดาลมีผู้ดนบันดาลมีพระเจ้าดนบันดาลมีเทพดนบันดาลมีพรหมดนบันดาลว่ามีผู้เป็นใหญ่คอยดนบันดาลสุขทุกข์สมหวังผิดหวังให้กัตริย์โลกอยู่งใครเชื่อแบบนี้บ้างนี่กลุ่มนี้เขาเรียกอิสรานิมานวาทามีวาทน์มีความเห็นมีอัตตามีทัศนาความเห็นว่าทุกอย่างที่เราได้รับทุกวันนี้เพราะมีผู้อยู่เบื้องหลังที่มีอำนาจมีฤทธ ในการดนบันดาลให้มนุษย์เนี่ยสมหวังหวังผิดหวังได้ดีตกยากใครเชื่อแบบนี้ไหมมีไหมที่นั่งอยู่เนี่ยมีไม่มีแล้วเชื่อไหมคนที่เชื่อแบบนี้มีเยอะไหมในโลกใบนี้เยอะไหมเยอะเยอะนะอา้าวนี่กลุ่มที่สองกลุ่มที่สามพวกมีทัศนะมีความคิดเห็นว่าสุขทุกสมหวังผิดหวังทั้งหลายเนี่ย มาจากดวงดาวบนท้องฟ้ามันเกิดขึ้นลอยๆมันแล้วแต่โชคแล้วแต่ชะตาเอาแน่นอนไม่ได้เอา้าใครมีไหมแบบเนี้ยถามใครเคยไปดูหมอต่อชะตาบ้างนี้นั่งๆอยู่เนี่ยเคยไหมถามจริงมีไม่มีเอา้าสรุปแล้วทัศนคติ ความคิดของเราอยู่กลุ่มไหนเชื่อกรามเก่าเอาใครเชื่อกามเก่าโอโหเต็มหมดเลยอ้าวเอามือลงเนี่ยในทฤษฎีในทัศนะหรือในทิฏฐิความเห็นของสัตว์โลกเนี่ยพระเจ้ามีสามกลุ่มเนี่ยและพระเจ้าบอกว่าสามกลุ่มเนี่ยคือเห็นไม่ตรง เอารวมเราอยู่ด้วยเอาสิทูเนียเห็นแบบนี้บอกว่าเห็นไม่ตรงถ้าพุทธเจ้าบอกว่าเหตุผลที่แท้จริงใหญ่เห็นแบบนี้เราพร้อมที่จะปรับไหมพร้อมที่จะปรับความเห็นไหมพร้อมที่ปรับจะปรับทัศนคติแล้วก็ค่านิยมที่เราถือกันมาแบบนี้ไหมพร้อมหรือไม่พร้อมถ้าพร้อมจะบอกถ้าไม่พร้อมไม่บอกพร้อมไหม พร้อมใช่ไหมเอา้าในทฤษฎีหรือลัทีิแรกความเห็นแรกที่บอกว่าทุกอย่างเป็นเพราะกรรมเก่าเนี่ยพระเจ้าบอกกลุ่มที่เชื่ออย่างนี้เป็นกลุ่มงอมืองอเท้าทุกอย่างโยนไปให้กรรมในอดีตหมดทำไมฉันได้ลูกดื้ออ๋อกรรมฉันทำมาไม่ดีทำไมฉันต้องเกิดเป็นขอทานอ๋อฉันทำกรรมไว้ไม่ดี ทำไมฉันเกิดมาเจ็บป่วยพิกลพิการโอ้กรรมเก่ากรรมเก่าจะโยนให้กรรมเก่าในดินหมดเลยกลุ่มนี้เลยเป็นกลุ่มที่งอมืองอเท้าไม่เชื่อมัน่นกลุ่มนี้ไม่เชื่อมั่นความเพียรในปัจจุบันไม่เชื่อมั่นศักยภาพความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระเจ้าไม่เชื่อมั่นว่ามนุษย์เนี่ย สามารถที่จะฝึกตนเองแล้วก็พัฒนาตนเองแก้ไขตนเองในปัจจุบันให้ได้ดีได้ถามว่าถ้าหากถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าเอาความเชื่อทั้งหมดไปเชื่อไว้เฉพาะกรรมในอดีตแล้วไม่ขวนขวายในการประพฤติปฏิบัติจกมีพระสามมาสัมพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นไหม เอาถ้าหากว่าสาวกของพระพุทธเจ้าเอาความเชื่อทั้งหมดว่ามันแล้วแต่กรรมในอดีตแล้วไม่ขวนขวายเล่งบำเพนญนปัจจุบันภพนี้ไม่ฝึกตนเองในศีลในสมาธิปัญญาอย่างเต็มที่อย่างเต็มรูปแบบการบรรลุธรรมจกมีได้ไหมเห็นไหมว่าจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าการเชื่อเหตุในอดีตอย่างเดียวเป็นความเชื่อที่ยังต้องแก้ไขเราพร้อมที่จะแก้ไขไหม เอาถ้าเชื่อกรามเก่าโยไม่ต้องทำอะไรที่ไปนอนอยู่ที่บ้านรอรอให้กรรมมันให้ผลอย่างเดียวอ่ะรอสี่เดี๋ยวเดี๋ยวบุญมันให้ผลมันก็ให้เองเดี๋ยวบาปให้ผลมันก็ให้เองเราทำอะไรไม่ได้เราแก้ไขอะไรไม่ได้เราปรับปรุงอะไรไม่ได้เราฝึกฝนเราพัฒนาอะไรไม่ได้ทั้งหมดโยนไปให้อดีตทั้งหมดถามว่าความเพียรในปัจจุบันโยมเชื่อไหมว่ามีผลฉันท่ในปัจจุบันเนี่ยในการฝึกฝนพัฒนาตนเองโยมเชื่อไหม สติที่จะเจริญในปัจจุบันเนี่ยยอมเชื่อไหมสมาธิความตั้งมั่นปัญญาความรอบรู้เชื่อปัญญาในปัจจุบันไหมที่จะสามารถทําให้ปีทําให้เกิดขึ้นมาได้แล้วมนุษย์สามารถพ้นทุกได้เชื่อหรือไม่เชื่อฉะนั้นใครที่โยนให้กรรมในอดีตยอย่างเดียวเป็นความเชื่อที่ผิดหรือถูกต่อไปละายอมเปลี่ยนไหมทัศนคติแบบนี้เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนี่ครูอาจารย์บอกแล้วนะ เพราะเมื่อกี้เราบอกว่าเรามอบกายมอบมอบตนกับใครกับพระพุทธเจ้าแล้วมอบตนกับใครครูบาอาจารย์แล้วตอนนี้ครูบาอาจารย์บอกหรือยังเจะเชื่อว่าเนี่ยเชื่อใครเชื่อคุณของพระพุทธเจ้าเพราะเพรา ะ, ะ, ะ, ะครูอาจารย์เอาใครเอาคำของใครมาบอกถ้าเอาคำของอาจารย์บอกต้องฟังหูไว้หูไหม <laughs> ฟังหูไว้หูไม่รู้ทำยังไงไม่รู้ เป็นสำนวนในคำว่าฟังหูไว้หูนะ่แต่ไม่รู้ภาคปฏิบัติเขาปฏิบัติยังไงเอาแล้ได้แล้วนะเอาส่วนเชื่อว่าส่วนทัศนะที่บอกว่าทุกอย่างมีผู้บันดาลมีผู้ยิ่งใหญ่บันดาลอันนี้เสียหายมากหนึ่งผู้บันดาลก็ไม่มีอยู่จริงเพราะผู้บันดาลก็ไม่มีอยู่จริงนี้ เพราะสังสารวัฏเนี่ยบุคคลก็จะเป็นบรรดาลอะไรกันไม่ได้ไม่แล้วจะเหตุปัจจัยเนี่ยสองงอมืองอเท้าเขาอีกโอ้โหเสียสองส่วนเลยนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยทัศนาในโลกใบนี้เป็นแบบนี้ส่วนบุคคลที่ปฏิเสธเหตุอันนี้เสียหายทุกด้านเลยฉะนั้นตรงนี้ตรงนี้ก็เราเชื่อมั่นเชื่อมั่นอะไร เราเชื่อมั่นข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องและเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถฝึกฝนทำกรรมปัจจุบันพัฒนาตนเองให้สามารถหลุดพ้นรอดพ้นจากความทุกข์เป็นต้นทางนี่นั้นจะต้องปรับทัศนคติไหมทัศนคติค่านิยมในใจใหม่ต้องปรับไหมปรับให้สอดคล้องกับอะไร ตามแนวของเหตุและผลที่แท้จริงแล้วใครเป็นคนสอนเรื่องเหตุผลพ ร, พระพุทธเจ้าพระเจ้าสอนเรื่องธรรมะกับอรรัฏะพระเจ้าสอนเรื่องเหตุและผลธรรมันยุตาความเป็นผู้รู้จากเหตุอัฏฐายุตาความเป็นผู้รู้จากผลไม่ต้องฉลาดในเหตุและผลที่ถูกต้อง นั้นต้องปรับไหมถามว่ารักษาศีลดีหรือไม่ดีเจริญศีลดีหรือไม่ดีฟังธรรมเนี่ยดีหรือไม่ดีถามจริงจรแต่ใจเราชอบไหมชอบฟังธรรมไหมระหว่างฟังธรรมกับฟังเพลงอันไหนมีความสุขกว่ากันหลายหลายคนที่ไม่ค่อยชอบฟังธรรมหรอกนั้นทัศนคของเราความนิยมความเชื่อของเราเนี่ยมัมนผิดหรือมันถูก มันผิดต้องปรับไหมต้องปรับใหม่ๆเนี่ยมันไม่น่าชอบฟังใจฟังนะเอาให้มันนั่งตรงเนี้ยชอบไหมที่จะมานั่งนานๆเนี่ยถามจริงชอบไหมแต่มันดีไหมเออตรงนี้ไงเลยต้องปรับทัศนคติว่าเออมันก็เมื่อยกันทั้งนั้นแหละเนี่ยคิดว่าคนพูดเมื่อยไหมระหว่างนั่งฟังกับพูดเนี่ยใครเมื่อยมากกว่ากัน โอโหคนพูดเหนื่อยเหนื่อยกว่าไหมพวกเรานั่งเฉยๆก็ได้นั่งฟังสบายถ้ามาจะนั่งฟังอย่างตั้งใจเลยนะเพราะไม่เหนื่อยอะคนพูดนี่สิโอ้โหต้องคิดด้วยต้องพูด ต, ต้องใช้พลังเยอะไหมคนพูดเนี่ยเยอะถ้าจะพูดแบบเรื่อยๆได้ไหมทิฏฐิสัมปทาทําตนเองให้ถึงพร้อมเนี่ยยอมก็จะนั่งฟังไม่รู้เรื่องกันหรอก มันเป็นเรื่องยากนะงั้นต้องปรับทัศนคติปรับความคิดเห็นให้สอดคล้องตามแนวที่พระเจ้าสอนเพราะว่าเราต้องการเป็นพุทธบริษัทของพระเจ้านะนี่ทิฏฐิสัมปทานปรับทัศนคติตามแนวของเหตุและผล คือถ้าเราไม่ปรับเนี่ยเราจะไม่สามารถจะยังจิตของตนเองให้ผ่องใสได้อย่างแท้จริงทั้งนั้นมันจะไปตามความเห็นของตนเองน่ากลัวในะความเห็นเนี่ยประการต่อมาอัปมาธาสัมปทาทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท ้ตั้งตอนอยู่ในความไม่ประมาทก็คือยังไงเนี่ยมีจิตสํานึกในความไม่เที่ยงมองเห็นตะหนักถึงความไม่คงที่เนี่ยไม่คงทนก็ไม่คงตัวทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตพูดภาษาให้มันเข้าใจก็คือมีสติในการที่จะปลุกตนเองให้ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาไม่เลอะเลือนไม่เผลอเหลอไม่เลอนเลอไม่ฟันเฟือนไม่เลือนหลง ถ้ามานั่งอยู่อย่างเงี้ยถ้าซึมห ง, งอยเมอืลอยอันนี้แปลว่ามีสติไหมตื่นตัวไหมมีไม่มีไม่มีฉะนั้นต้องต้องมีสติปุกกระตุ้นตัวเองให้ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาถามว่าเวลาจะเจริญกรรมฐานเนี่ยต้องอาศัยสติเยอะไหมต้องอาศัยกำลังของสติเยอะเลย เแมลว่านี่ต้องไม่ประมาทเห็นเหว่านี่กระแสชีวิตเนี่ยมันมันเปลี่ยนตลอดไหมฉะนั้นถ้าไม่ปลกตัวเองให้ตื่นตลอดเวลาเนี่ยโอ้โหมันจะมันจะไม่ได้ประโยชน์เลยยอมเวลาวันนั่งกรรมฐานยอมง่วงกันบ่อยไหมบ่อยไหม เอาลองลองอีกอย่างนึงนะสมมุติไปไปดูการละเล่นยอมง่วงไหมยอมเคยเห็นคนไปเขาดูกำลังที่เขาเต้นกันอย่างเหมือนเหมือนเหมือนเสเดือนคุกฝุ่นเนี่ยนะยอมว่าเขาง่วงไหมตรงนั้นนะเขาง่วงไหมเขามีสติไหมถือว่าเอ้เขาไมปลุกตัวเองตื่นตัวได้ตลอดเวลาเพราะอะไรเขาเอาอะไรเป็นแรงกระตุ้นนะเอาตัวอะไรเป็นตัวกระตุน้นเอาความอยากเป็นตัวกระตุน้น อาวิตกเป็นตัวกระตุ้นมันเหมือนสติไอ้ยองเอาความโกรธเป็นตัวกระติ้นตุ้นนะนะเอาความชอบเอาความยึดติดทั้งหลายเป็นตัวกระตุ้นเอาความล่า rt, เลงเลือนหลงทั้งหลายเป็นตัวกระตุ้นก็ลืมเนื้อลืมตัวหมดเลยนะทํางั้นนลยนะลืมเลยตนเองอายุเท่าไหร่นี่ลืมเลยลืมเลยบางคนลืมไวัลืมพ่อลืมแม่ลืมหมดเลยเท่านั้นไปไปไม่เป็นแล้วงั้นตรงนี้ก็คือว่า กระแสชีวิตเนี่ยนะมันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยอยู่ตลอดเวลานะทั้งภายในและภายนอกทําให้เรานิ่งนอนใจไม่ได้คนที่ไม่ประมาทเนี่ยทำให้เห็นความสําคัญของการเวลานพาะพอเห็นความสําคัญของการเวลามันก็กระตือรือร้อนดีเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวแป๊บเดียวเวลาหมดไปแล้ว น, เนัเนี่ยเนแป๊บเดียวแค่นั้นเราวันนึงวันนึ่งจะผ่านไปแป๊บเดียวเดี๋ยวหมดเวลาแล้ว ประโยชน์ที่พึงจะได้มันจะไม่ได้ทันทีเลยนี่เป็นต้นนี่ลักษณะนี้ก็าเรียกว่ากระตือรือร้นก็ปลุกตนเองให้ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ปล่อยให้เลือนฟนั่นเฟือนเลือนหลงเลอะเทอะเนี่นะเลื่อนลอยปลูกตนเองให้ตื่นตัวมีสติในการที่จะประคองตอนเองให้ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาในการที่จะฝึกฝนตนเองให้เต็มที่เต็มรูปแบบและเต็มความสามารถเนี่ไม่ปล่อยตอนเองให้เผลอเลยให้เลือนเลิกอย่างนี้ก็คือว่า จะเตือเรือล้อนเน่ยนะค้นขวายเพราะอะไรยกตัวอย่างเช่นในขณะที่ฟังถ้าเราเกิดฟังแล้วไม่ได้ข้อมูลไม่ได้ความรู้ไม่ได้ความเข้าใจให้ท่องแท้เนี่ยที่สุดจริงๆเราก็จะปล่อยให้มันเลอะเลือนลืมลืมลืมไปเราเลยเสียประโยชน์เลยนี่พอไปถึงเวลาฝึกจริงๆฝึกไม่ได้เช่นจะฝึกในการเจริญศีลเจริญสมาธิจเจริญปัญญาฝึกไปไม่เป็นเลยทีนี้เพราะตอนฟังเรา เลื่อนหลงเราเลือเลือนพอไปนั่งปฏิบตัติก็ปล่อยการเวลาทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปเสียเวลาหมดเลยเลยไม่ได้ประโยชน์เลยเนี่ยเป็นต้นเสียหายเยอะไหมก็เสียหายนี่คือไม่มีอั ป, ปมาทัศนสัมปทาไม่ฝึกสติให้ถึงพร้อมออวันคืนที่มันล่วงไปล่วงไปเนี่ย เวลาเนี่ยมันล่วงไปทุกวินาทีไหมถามว่าเราจะทำยังไงที่จะให้มันได้ประโยชน์มากที่สุดมากที่สุดที่จะไม่ปล่อยวันเวลาที่มันผ่านไปโดยการที่เราเสียประโยชน์ก็คือเสียประโยชน์แทนที่เราจะได้ฝึกตนเองให้ได้ศีลให้ได้สมาธิให้ได้ปัญญาฝึกตนเองให้ได้ศรัทธาคือความเชื่อมั่นในพระธรรตรัรยฝึกตนเองให้ได้ประคองความเพียรนี้เป็นใบกุศล ฝึกสติตนเองให้มันมีความระลึกมั่นฝึกสมาธิมีความตั้งมั่นกําจัดความฟุ้งซ่านได้ฝึกปัญญาให้ ก, ากาําจัดความหลงความมืดบอดเป็นต้นได้เนี่ย<จ>ก็เลยปล่อยเวลาทิงท้งไปทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปเลยไม่ได้ประโยชน์จากการที่วันเวลาที่มันไม่เคยหยุดตัวไปเลยใช่ไหมวันเวลาที่มันผ่านไปผ่านไปผ่านไ ป, นไปแต่นั้นมันไม่เคยหยุดตัวมันเลยนะเนี่ยแต่เรากลับกลายเป็นปล่อยมันเลอะเทอะเลอะเรือนมัวเมาลุ่มหลงไปเสียประโยชน์เลย ใช่ไหมอาลองดูทีเนี่ยกลุ่มที่นั่งๆกันอยู่เนี่ยทั้งหลายเนี่ยถ้าเราไม่เป็นคนประมาทเลื่อเนี่ยปัจนนี้เราบรรลุพร้อมท่านพระยาโกณธัญญาไปแล้วตอนที่ท่านพระยาโกณัญญ า, าฟังธรรมจักรกับพระวจนะสูตรเนี่ยท่านบรรลุแล้วมีพร้มสิบปดโกดเนี่ยมนะแล้วก็เทวดาไม่นับบรรลุก็เพราะความประมาทใช่ไหมเราจึงไม่ได้อยู่ในในกลุ่มนั้น ต่อมาพระพุทธเจ้าก็แสดงอนัตตลกขนสูตรอาทิตต์ปริยยสูตรนี้ยโดยเฉพาะมาแสดงอาทิตต์ปริยยสูตรเนี่ยชะดินสาพี่น้องพร้อมได้บริวารตั้ง 1,000 ได้บรรลุเราน่าจะได้บรรลุช่วงนั้นก็ไม่ได้บรรลุนี่เพราะความประมาทใช่ไหมเอาพอตอนวี่พระเจ้าวิมิสานพร้อมได้บริวารสิบส0 0หมื่น 12, 000, 000, ฟังธรรมได้บรรลุซะ1ิบเอ็ดหมื่สหนึ่งมื่นเนี่ยก็ไม่มีพวกเรา นี่ใช่ประมาทไหมนี่ใช่ประมาทหรือไม่ใช่แล้วที่พระพุทธเจ้าเทสนาสัตว์นี่จะบรรลุแปดหมื่นสี่พันแดี่พันอีกนับสูตรไม่ท่วนแล้วทําไมไม่มีกลุ่มในกรในขอที่นั่งปฏิบัติธรรมตรงนี้ไปแทรกอยู่แค่คนเดียวทําไมไม่ได้เพราะอะไรใช่ประมาทไหมนี่ไงไม่มีอัปมาทาสัมปทามันเสียหายแบบนี้แหละในวันนี้พระพุทธเจ้าจะขึ้นดาวดึงนะ เทศนายะมะกับปฏิหารเนี่ยสัตว์โลกได้บรรลุ200ล้านทำไมไม่มีพวกเราไปจำภรษาที่เดาดึงนะภาษาที่เจ็ดเนี่ยสเสด็จที่ลงสังกัาสรานครห่างจากสาวัตถี400รยกิโลนะที่ภาษาลิบุตรจำภรษาเทศนาในครั้งนั้นสัตว์บรรลุอีกส0 0รอล้านไม่มีพวกเราอีกเอาไปที่สาวัตถี สัตว์ได้บรรลุมากที่สุดนะแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยนีวันพระส า, าริบุตรแสดงธรรมที่ปุบพารามสัตว์ก็บรรลุไม่รู้เท่าไหร่เป็นจํานวนเป็นพื้นที่เป็นยอดยอดสัตว์ไปนั่งฟังการนนบรรลุแต่ไม่มีเลยเนี่ยไม่มีพวกเราเลยใช่ใช่ใช่ประมาทไหมเรายอมรับ ว, ว่าประมาทนี่เสียหายจริงๆริงไหมเนี่ยเสียหายจริงๆมันกรัดกร่อนวันเวลาไม่พอกัดกร่อนกระแสชีวิตเราไปด้วย และในขณะเดียวกันทำให้เราพลาดโอกาสอันงดงามด้วยแล้วมานั่งอยู่กันนี้ทำไมเนี่ยก็ต้องการจะฝึกตนเองใช่ไหมเออต้องการเราไม่ต้องการประมาทนั้นฉะนั้นสำคัญไหมทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเลยสำคัญไหมเอาละเห็นความสำคัญแล้วนะเห็นความไม่สำคัญ ก, ก็การเจริญสติให้ต่อเนื่องนะ อภระการต่อไปคือว่าโยนิสโสมนสิกาและสัมปทาทาโยนิสโสมนสิกานี่ถึงพร้อมฉลาดคิดอย่างแยบคายให้ได้ประโยชน์จากความจริงนะรู้จักคิดรู้จักพิจารณารู้จักมองคิดเป็นนั่นเองเห็นสิ่งทั้งหลายมันสัมพันธ์กันตามะระบบเหตุและปัจจัยที่แท้จริงโอคิดเป็นนี่สำคัญมาก ยอมเป็นคนคิดสาวหาเหตุปัจจัยเป็นไหมเป็นไม่เป็นเอาเดสอนวิธีการคิดสาวหาเหตุปัจจัยนะเอ้ตรงนี้เป็นตัวตยึดยองที่เชื่อมกับปัญญาได้ยอมเป็นคนมีศรัทธามากหรือศรัทธาน้อยเคยสังเกตตัวเองไหม มีศรัทธามากหรือน้อยมากหรือน้อยอ้าวใครมีศรัทธามากยกมือขึ้นที่ที่มั่นใจว่ามีศรัทธามากาจาไว้นะจะามาจาหน้าไว้แล้วนะอ้าวใครมีศรัทธาน้อยสังเกตยังไงพูดไว้แล้วใช่ไหมคนที่มีศรัทธามากดูตรงไหนยอมเชื่อมั่นไหมว่าจะสามารถฝึกตนเองให้พ้นทุกได้เชื่อไหม เ ช, ชื่อไม่เชื่อจะพ้นทุกในชาตินี้หรือชาติต่อๆไป <c oughs> เอาชาติไหนเชื่อมั่นไหมว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราจะฝึกตนเองให้เต็มที่เต็มศักยภาพเชื่อมั่นไหมแล้วจะไม่หยุดด้วยเชื่อมั่นนี่ยแล้วท่องใสไหม จิตผ่องใสไหมมีความสุขไหมว้าวเวยไหมอยู่คนเดียวแล้วว้าเวไหมทำยังงต้องโทรหาเพื่อนตลอดไหมไม่มีนะ <c oughs> เออคนมีศรัทธาก็มีเพื่อนศรัทธาเหมือนมือคนมีมือก็หยิบของหยิบทรัพย์ที่หล่นได้นะอะตอนนี้เราหยิบพระพุทธเจ้าไว้ในตนได้ยังหยิบได้ยัง มีที่พึ่งกันหรื อ, อยังเนี่ยมีพระมีพธเจ้าเป็นที่พึ่งแท้จริงหรื อ, อยังมีพระธรรมเป็นที่พึ่งแท้จริงหรื อ, อยังมีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแท้จริงหรื อ, อยังเคยว่าเจ้าไหมเคยบนบานสารกล่าวไหมเคยไหว้าสารวัพภูมิไหมเอาเอาสิเริ่มไปเลยแต่นเนี่ยศรัทธามั่นคงไหมอะไรที่ไม่ใช่คําสัญลักษณ์ของพระเจ้ายังว่าอยู่ไหม ไหวไม่ว่าเอ๊ะนี่เริ่มไปแล้วแต่นี้เนี่ยเราไหวสิ่งเหล่านั้นเพราะเป็นสาสนะหรือเปล่าคนที่มีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัยพ้นทุกข์ได้นะต้องเชื่อมั่นจริงๆนะแล้วจะพ้นทุกข์ได้แต่ถ้าคนไม่มีความเชื่อมั่นในพระรัตนตรยัยเอาไว้ก่อนเพราะคนที่จะพ้นทุกข์เนี่ยดูกําลังแรกก็คือเชื่อมั่น แล้วความเชื่อมั่นตนเองไปยึดโยงกับพระพุทธเจ้าไหมพอยึดโยงพระพุทธเจ้าแล้วฟังท่านไหมไม่ใช่ไปเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระพุทธเจ้าแต่ไม่เคยรู้เลยพระพุทธเจ้าสอนหลักการที่แท้จริงยังไงอันนี้ความเชื่อชักมีปัญหานะงั้นความเชื่อจะต้องไปสามารถที่จะยึดโยงกับพระราชนตรายได้แล้วก็พระราตนตรัยบอกกล่าวอย่างไรก็มีความเชื่อมั่นในการที่จะฝึกตนเองตามที่พุทธเจ้าบอกนั้นได้จริงทั้งชัด ที่พูดตรงนี้ก็คือว่าสาวหายเหตุปัจจัยยอมเป็นคนขยันหรือเป็นคนเกียรติค้านขยันหรือเกียรติค้านดูตรงไหนเวลาเจอปัญหาเจออุปสรรคมากระทบกระทั่งแล้วยอมเป็นคนบากบัน่นอุตสาหา์สู้ปัญหาหรือเป็นคนกลัวปัญหา กลัวหรือสู้จริงไหมจริงท้อไหมถ้าเจอปัญหาชอบปัญหาเยอะๆหรือชอบปัญหาหน้อยๆอันนี้มีสู้ปัญหานี่ชอบน้อยน้อยนี่เราจะมาเล่าเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งยอมยอมเคยฟังชาดกในเรื่องคันติวาทีดาบทไหม คำว่าชาดกนี้เป็นเรื่องเ้าเรียกนิทานเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงจริงไหมจริงไม่จริงนิทานชาดกเนี่ยจริงหรือไม่จริงจริงไม่จริงฮะนิทานชาดกคำว่านิทานก็แปลว่าเหตุเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วคือเรื่องจริงเพราะชาดกเหล่านี้ใครเป็นคนเล่า พระพุทธเจ้าเล่าพุทธเจ้าเป็นคนเล่าถามพระเจ้าเล่าทำไมเล่าให้รู้ว่าเขาบาเพ็ญบา ร, รมีกันอย่างนี้เขาฝึกฝนพัฒนากันอย่างนี้ให้พวกเธอทั้งหลายดูแบบฉบับในการฝึกแบบนี้นั่นแหละเขาเรียกชาตกาไม่ใช่ว่าโอ้ฟังแล้วมันสนุกเพลินๆดีไม่ใช่หรือฟังมันเป็นแค่ข้อคิดนี่ไม่ใช่นะ ฟังแล้วจะได้รู้ว่าถ้าเธอต้องการอยากจะพ้นทุกข์ให้ฝึกฝนอบรมพัฒนาชีวิตของตนเองอย่างนี้นี่ก็เรียกชาดกในชาติที่พระเจ้าเกิดเป็นคันติวาธีดาบทเนี่ยเออให้สังเกตดูนะท่านเล่าตั้งแต่การสละทรัพย์เกิดเป็นลูกคนมีทรัพย์ เยอะมีทรับแปดสิบโกดเงี้ยนะอคนมีบุญเนี่ยนะคนที่ให้ทานมาเยอะรักษาศีลมาเยอะเจริญเพราะมีหารมามากฝึกจารีศีลวาเรตศีลมาอย่างครบถ้วนเจริญฝึกฝนตนเองมาอย่างต่อเนื่องไปเกิดนะพบใดชาติใดก็เป็นคนสง่า ง, งามบริบูรณ์หมดนี่ยทั้งโพคาสมบัติก็บริบูรณ์รูปสมบัติก็บริบูรณ์นะ ทั้งกำลังกับบริบูรณ์ทั้งสติปัญญาก็บริบูรณ์คือบริบูรณ์รอบด้านของเราเวลาเกิดมาเอ้าดูที่พอจะเล่าเป็นตัวอย่างได้ไหมประวัติเราเกิดมาตุบเลยเนี่ยถามว่ามีทรัพย์เท่าไหร่เอาเกิดมาเนี่ยพวกเราเกิดมาปุ๊บเนี่ยมีทรัพย์เท่าไหร่มีถึงแปดิบโกดธไหมโกดธละสิบล้านถึงไม่ถึงไม่ถึงเนี่ยนยีอันนี้แสดงให้เห็นชัดว่ากําลังของทานนะบ ร, รมีเราอ่อนแอเนาะ อ้าวดูรูปร่างบ้างเราแข็งแรงไหมมีมีพระกําลังขนาดไหนคนที่รักษาศีลข้อที่หนึ่งมาดีจะเป็นคนแข็งแรงนะแล้วก็ผิวพรรณก็งดงามหน้าตาก็สะสวยงดงามด้วยคนที่รักษากุศลศีลข้อที่สองมาดีดีเนะี่ยกำลังทรัพย์จะดีมากกลุ่มนี้กําลังทรัพย์ดีมากคนรักษาศีลข้อที่สามมาอย่างดีอย่างหมดจดเนี่ยเออเป็นคนที่ไม่แตกแยกจากบุตรจากบริวารจากญาติมิตร คนที่รักษากศาุศลศีลในด้านขั้นวาจามาดีกลุ่มนี้จะเป็นคนที่มีความสมัครสมานสามัคม ค, คีเป็นคนที่น่าเชื่อถือผู้จาเนี่ยนะมีคุณภาพปากและฟันเป็นต้นเนี่ดีมากงดงามมากผิวพรรณก็ผ่องใสเป็นตน้นคนที่จเจริญศีลกุศลศีลข้อห้ามาดีเป็นคนที่มีสติปัญญาค่อนข้างฉลาดหลหลักแหลมมากนี่บริบูรณ์มากท่านเป็นคนบริบูรณ์เหล่านี้มากนี่คือกําลังของโบริษัทเนี่ยท่านจะเป็นคนที่สง่างานก็คือถ้าอยู่ในหมู่มนุษย์ก็งามกว่ามนุษย์ อยู่ในหมู่สัตว์เดรัจฉานก็เด่นกว่าสัตว์เดรัจฉานอยู่ในหมู่เทวดาก็เด่นกว่าเทวดาอยู่ในหมู่พรหมก็เด่นกว่าพรหมเหมือนนเยอยู่ในหมู่หน้าครุฑคนทันทั้งหลายก็จะเป็นคนที่เด่นมากสง่างดงามมากนั่นคือกําลังของบา ร, รมีที่ฝึกฝนมานี่เป็นต้นนี่คือพ่อบริษัทว์เราต้องมองให้ออกก่อนนะท่านเกิดเป็นท่านเกิดมีทรัพย์มากเนะี่ยท่านก็จะสละเพราะท่านก็คนมีปัญญาตั้งแต่เกิดอยอมเกิดมาใหม่ๆยมเป็นคนที่คิดอะไรออกได้ดีไหม คิดไหมว่าความเกิดไอ้ความเกิดเนี่ยมันเป็นทุกข์ความแก่มันเป็นทุกข์ความเจ็บไข้มันเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์เออการเกี่ยวข้องในบุตรในภรรยาทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นความเป็นความทุกข์มันไม่ค่อยมีสาระในยมคิดเรื่องนี้บ่อยไหมตอนเป็นเด็กๆกคิดออกไหมเออถ้ามีทรัพย์มันจะต้องสละมันจะต้องบริจาคต้องแบ่งปันคิดอย่างนี้ออกไหมไม่ออกเลยเห็นไหมเนี่ยพวกเราจะไม่ค่อยมีกําลังปัญญาคิดตอนเป็นเด็กหรอก แต่ว่าบริษ ท, ท่านก็คิดท่านคิดยังไงท่านคิดว่าเออเนี่ยปู่ตายายายนะพากันมีทรัพย์ก็เก็บทรัพย์เข้าไว้ให้ลูกให้บุตรให้หลานพากันตายหมดแล้วตายเกลี้ยงหมดเลยอ่ะไม่มีใครเหลือสักคนเลยดูสิเนี่ยทิ้งทิ้งนาไว้ให้ทิ้งมรดกไว้ให้ทิ้งบ้านทิ้งที่ดินทิ้งทรัพย์สมบัตทิทิ้งเงินทองไว้ให้ ท, ทิ้งสิ่งของต่างๆบางอย่างก็ผุพังไปหมดบางอย่างก็เหลืออยู่ถึงถึงรุ่นเราเนี่ยว่างั้นเถอะบางทีก็ยังพยายามเก็บไอ้ของเก่าๆเสร็จเก่า ๆ, ๆไว้ให้ถึงพวกเราเนี่ยว่างั้นดูสิเนี่ยไม่ฉลาดเลยดูดูท่านคิดเนี่ยไม่ฉลาดไม่สามารถแปลเปลี่ยนทรัพย์เหล่านี้ไปเป็นมรดกติดตามตนเองไปได้นี่ปูต่ตายายายพากันตายหมดแล้วต่างก็ทิ้งทรัพย์ไว้ในแผ่นดินผุพังไปก็เยอะ เออไม่ฉลาดในการให้เลยน่าจะรีบให้ก่อนที่จะสตที่มันของจะเสียเช่นเสื้อผ้าเนี่ยเก็บไว้จนเก่าจนขาดใช่ไหมบ้านเนี่ยเก็บไว้จนผุจนพังซ่อมแล้วไม่รู้กี่รีสิบครั้งล้านครั้งซ่อมกันอยู่นี่แหละเออน่าจะสละหน่าจะบริจาคหน่าจะให้เป็นบุญติดตนเองไปก็ไม่เอาไปกลับมาหวงก็ไว้นี่ไม่ฉลาดเลยเอาเราคิดแบบนี้ไหมตอนเป็นหนุ่มเป็นวัยรุ่นคิดแบบนี้ไหมไม่คิดเลยตอนทุกวันคิดแบบนี้ไหม คิดไม่คิดมันคิดตอนมันพังหมดแล้วไม่ค่อยทันการพวกเราเด้วมากอย่าคิดตอนที่ไม่ค่อยทันการแล้วแต่พระพุทศาสนาท่านคิดแบบเนี้ยว่าคิดเบลเสร็จแล้วท่านก็เอาละเราจะไม่เป็นเหมือนปู่ตายายายพ่อแม่ลุงป้าที่พากันทิ้งทรัพย์เหล่านี้ไว้พากันจากไปด้วยมือเปล่าแต่เราจะไม่เดินทางในสังสารวัฏด้วยมือเปล่าเราจะเอาของสิ่งเหล่านี้ติดตัวเราไปก็แจก เปิดประตูเรียกคนมาแจกเลยแล้วท่านฉลาดในการแจกนะแจกยังไงยังไงยังไงเนี่ยรายละเอียดเยอะออพิจารณาวัตถุทานพิจารณาบุคคลผู้รับทานวางใจยังไงในการแจกทานด้วยท่านฉลาดหมดเลยในการแจกในการสละในการแบ่งปันบเบเสร็จ ต, ตั้งกระบวดบวชนี่ก็แปลว่าวอะไรบาเพ็ญเนคขมมะเนี่ยเราก็จะเห็นอย่างเงี้ยพอบาเพ็ญเนคขมมะจบปุ๊บ อยู่ต่อมาก็พูดถึงพระเจ้าเป็นเดินเมืองบารานาสีพระเจ้ากลาปูนี่พระเจ้าเป็นเดินเนี่ยเป็นคนตันนีเป็นคนลิษยาสูงด้วยและชอบสวยน้ำจันต์กินเหล้าเนี่ยมยีวันหนึ่งก็คือไปที่ อ, อ, อุทยานก็นางสนมกำนันไปเพียบพร้อมหมดก็นั่งดื่มเหล้าดื่มแล้าพอเมาไปแล้วก็นอนนุนตักนุนตักใครนุนตักนางสนมที่เป็นคนโปรดเนี่ยนะพอหนุนตักเสร็จ ก็หลับไปเอากลุ่มนางสมก น, นันที่มาฟ้องฟ้อนรำขับร้องเห็นว่าหมดประโยชน์แกเราแล้วพะราชาหลับแล้วก็พากันไปเที่ยวชมผล ล, ลุมไม้ก็ไปเห็นว่าวิษยทศาที่อยู่ในอุทยานนั้นแหละเป็นนักบวชอยู่เพราะว่าอมานิมนต์มาให้ให้อยู่หน้าที่ตรงนั้นก็เข้าไปแวดล้อมพระวิษยทศาก็เทศเรื่องอโทสะคือความไม่โกรธแล้วก็พูดเรื่องขันติคือความอดทน เออความอดทนเป็นอย่างนี้เป็นคุณธรรมที่เกิดในใจนะคือสภาพจิตที่ไม่โกรธไม่เกลียดไม่กระด้างไม่อาฆาตไม่มาดร้ายเป็นคุณภาพที่ยอมรับได้ด้วยปัญญามันเป็นนามธรรมนะฝึกให้เกิดขึ้นอยู่ในจิตใจถ้าใครฝึกฝนพัฒนาได้จะทําให้กระแสชีวิตของตนเองนะมีความไม่มีความไม่โกรธไม่กระด้างกระเดืองเป็นคนที่อดทนวางใจได้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่ อ, อ, อฉะนั้นเธอทั้งหลายจงมีขันตินะ คือความอดกลัน้นอดทนแต่จิตเบิกบานนะคนที่มีความอดทนจะมีความสุขมากพลังจะดีมากบอกกันเถอก็บอกเรื่องขันติพอพระพราชาตื่นขึ้นมาตื่นบรรทมขึ้นมาไม่เห็นนางสนมกำนันก็อุทานมาว่าหญิงหญิงถอยเหล่านี้หายไปไหนที่มัเป็นคนหยาบนี่โกรธถามว่าที่บอกหญิงถอยหายไปไหนนี่แปลว่าอะไรตนเองโกรธ พอนางสนมที่นั่งแล้วให้พระราชา น, นอนหนุนตักอยู่ก็ทูลรายงานว่านูน่นไปแวดล้อมแวดล้อมแวดแวดล้อมดาบดอยู่อยู่ฝั่งอยู่ตรงนูน้นพอรู้อย่างนั้นเบียดเสร็จแล้วโกรธไหมพระเจ้าไปินโกรธไหมทําไมโกรธตันหนีขึ้นมาบริวารของเราต้องแวดล้อมเรา ให้ไปแวดแล้อมไอ้ดาบทนี้ได้ยังไงแล้วก็ลิษยาดาบทขึ้นมาทันทีว่าไอ้นี่มันเป็นใครเนี่ยมาดึงบริวารเราไปไม่พอทำให้บริวารเราชื่นชมได้ใอ้บริวารของเรามันต้องอยู่กับเราตน่นีนะแล้วบริวารของเรามันต้องชื่นชมเราลทธิ์ยาเห็นดาบทเห็นคนอื่นได้ดีทนทนได้ไหม เคยเป็นไหมรกักนาฤทิษยาแบบนี้เคยเกิดในใจเราไหมเคยไม่เคยถามจริงเคยไม้มคนที่เราไม่ชอบพวกที่เราไม่ชอบมันกับเด็กหรือขอไปเขากลับได้ดีอ่ะได้รับแต่งตั้งได้รับการยกย่องได้รับการส่งเสริมทั้งๆ้ ท, ง ท, งที่คนคนนี้เราไม่ชอบเราเชื่อว่าเขาไม่ดีอ่ะแต่ทำไมเขาต้องได้รับแต่งตั้งด้วย กรมั้ยนี่เขาเรียกลิสยานี่ลิสยาแล้วก็บอกพวกของเราคนที่เราชอบทำไมไม่ได้นี่กับความตันหนีใช่ั้มเราอยากให้พวกเราได้เราอยากให้ตัวเราได้แต่ไอ้คนคนนี้นไปได้เห็น ไ, ไหมไอ้ลิสยาและความตนหนีมันเกิดขึ้นกับคนทุกคนที่ยังมีกิเลสยกเว้นพระอริยะหรือคนที่สามารถกำจัดหรือข่มมันได้หรือพวกปฏิบัติ ดีปฏิบัติชอบเออนี่พระราชาเป็นคนที่มีกำลังตนหนีสูงตหนหีบริวารตนหีตร ะ, ะกูลตนหนีคนมาอุปถากดูแลิลศยายอาฆาตมาดร้ายถือดาบลุกขึ้นพวดทันทีเลยไอ้ดาบบทขี้โกงจะไปจัดการเ็าแล้วเดินตุบๆๆๆไปทันทีเลยไปถึงก็ชี้หนะ้า นางสนมก็รีบไปทูลแย่งดาบออกพระขันเนี่ยออกมากลัวดาบวดจะเป็นอันตรายก็ไปชี้หน้าว่าไอ้ดาบวดขี้โกงเอ็องเราบริวารเรามาแวดล้อมทำไมใช่ไหมเอัองมีอะไรดีเนี่ยเขาดำองตอนนั้นพระโทธิสตร์ก็สงบนิ่งนะรู้ไหมว่าภัยกำลังจะเกิดรู้ไหมรู้ ความฉลาดของท่านนะรู้ไม่ใช่ท่านไม่รู้นะว่าภัยพยานอันตรายจะเกิดกขึ้นแล้วแต่ท่านก็สงบนิ่งแล้วก็พูดหนึ่งพูดคำจริงไหมท่านพูดจริงไหมสองพูดคำที่เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์เหมาะสมด้วยแล้วพูดด้วยเมตตาด้วยนะท่านก็บอกว่ามหาบพิตอาตมาเนี่ยสอนเรื่องขันติ คือความอดทนอดกลั้นก็คือสภาพที่ไม่โกรธไม่คิดประทุสร้ายไม่เครียดไม่กระด้างไม่เย่อหยิ่งไม่ไม่พองเราะงั้นเธอพอพูดอย่างนี้พระลาชานึกว่าดาบทสอนหรือว่านึกว่าดาบท่า <c oughs> นึกว่านึกว่าสอนอนึกว่าดา่าถ้าเราโกรธลุกขึ้นมาชี้หน้าพระ แล้วพระบอกโยมความโกรธมันทําให้วิบัตินะเรื่องเนี้ยถ้าพระท่านพูดอย่างเงี้ยยอมจะคิดว่าพระด่าหรือพระสอนท่านในขณะนั้นยอมกําลังโกรธยอมทําอย่างนี้ความโกรธมันทําให้วิบัตินะเนี่ยยอมจะคิดว่าพระด่าหรือพระสอนถามจริงเนี่ยยอมยันนึกว่าด่านี่ไง อูโหโกโรธมากเลยบอกอ๋อสอนขันติใช่ไหมแสดงว่าท่านต้องอดทนได้สิเนี่ยพระท่านก็บอกว่าอาตมาสอนอย่างไรก็ต้องทําได้อย่างนั้นเออนี่ท้าฉันนี่เข้าใจไหมเออทาเลยเนี่ยเห็นไหมคนโกโรธมันจะมองไปอีกมุมหนึ่งเลยนะหาว่าทาแล้วก็ไปสั่งเพชฌฆาตมา บอกจับดาบอดนอนลงแล้วให้เคี่ยนใช้หนังแห้งเนี่ยเคี่ยนเคี่ยนสี่ด้านด้านละสองพันครั้งเคี่ยนฟึดฟืดฟื ด, ฟดน่ยเคี่ยนไปถามว่าเนื้อหลุดไหมหนังขาดไหมขาดทุกครั้งที่ตีน่ยขาดขาดขา ด, ขาดตั้งแต่ศีรษะจุดเท้าด้านข้างสองพันครั้ง ด้านหน้าอีกสอง0ันครั้งปุ๊บปุไปอย่างเงี้ยอีกด้านหนึ่งข้างหนึ่งสองพันครั้งด้านหลังอีกสองพันครั้งสี่ด้านด้านละสองพันครั้งเท่าไหร่เท่าไหร่โดนตีไปเท่าไหร่เละหมดไว้ตามตัวเละหมดเลือดกระโชดไหลไหลตลอดเวลาเลยแล้วก็ถามว่าไอดาบทขี้โกงเป็นยังไงขันติ ยังยังมีขันติอยู่ไหม ย, ยังมีความอดกลั้นอยู่ไหม ย, ยังมีความอดทนอยู่ไหมดีบอกวุาเมื่อกี้พระโพธิสตร์ก็บอกว่ามหาบาพิษขันติมันไม่ได้อยู่ที่รูปขันมันไม่ได้อยู่ที่ตามตัวตามร่างกาย แต่ขันติเนี่ยมันเป็นนามธรรมคือท่านพยายามจะสื่อว่าขันติน่ะมันเป็นนามธรรมมันฝังอยู่ในห้วงหาวใยอันลึกยอมเข้าใจการํานี้ไหมความอดทนมันอยู่ที่ใจอ่ะทึ่งเป็นนามธรรมมันฝังอยู่ข้างในเนี่ยแต่คนโกรธมันฟังไม่เข้าใจเหมือนพวกเราฟังแล้วเอ๊ะมันเป็นยังไงนะขันติอ่ะเอาบางคนนั่งฟังนี้ก็ไม่เข้าใจนะเนี่ยถามว่ายอมว่าขันติเป็นรูปหรือเป็นนาม มันเกิดที่ไหนใจเป็นนามธรรมไหมใจอย่างเดียวเนี่ยเป็นขันติไหมไม่เป็นนะบางทีมันแต่ถ้ามีขันติแล้วแต่ใจมันจะทนได้ไหมมันจะอดทนได้มันจะยอมรับได้มันมันจะไม่ไม่ทรมานมันจะยอมรับสภาพนั้นได้ด้วยปัญญาฟังไม่เข้าใจเพราะไม่เข้าใจก็อกอ้อนจะตัดแขนทั้งสองข้างไอ้ดาบทนี้ เพจจฆก็ตัดแขนแขนหลุดไปเลือดทะลักไหมก็ถามอีกวันเป็นยังไงคันติท่านก็บอกว่าโอ้มหาวาพิษไม่เข้าใจขันติแล้วขันติอยู่ในห่วงอาไทยอันลึกเป็นนามธรรมเป็นสภาพของความไม่โกรธไม่ปทุษร้ายไม่อาฆาตไม่พยาบาทโกรธใหญ่ก็ตัดขาอีกสองข้างขาหลุดอีกแล้ว เห็นไหมเนะ่ยขาก็ขาดมือขาดขาถ า, า, ามอีกท่านก็บอกว่ขาขันติอยู่ในห่วงอทยัยอันลึกซึ้งเป็นนามาทาก็ตัดจมูกตัดตัดหูอยกถามไม่รู้จะทํายังไงอแทบร้องไห้แล้วพระยมวินเนี่ยทิ้งดาบก็กระทืบนะกระทืบที่ยอดอกพระโพธิสัตว์กระทืบตุ้มตุม้มเหมือนคนวิปลิต โกรธคือไม่รู้จะทำยังไงทำคนทาคนเขาไม่เจ็บเออไม่ใช่ทำแล้วเขาไม่โกรธนะเข้าใจไหมทำไงเขาก็ไม่โกรธแล้วเขาก็เาก็บอกว่าท่านยอมรับได้ท่านทนได้ท่านไม่โกรธท่านวางใจได้ลองคิดดูที่กว่าจะเป็นพระเจ้านะ่โดนตัดแบบเนี้ยโดนตัดอย่างเนี้ย ถ้าเป็นเราเนี่ยเอาเขาตัดนิ้วสักนิ้วเดียวเนี่ยเราจะโกรธเขาไหมเนี่ยถามจริงโกรธไหมเอาแค่นิ้วเดียวเนี่ยโกรธไหมทาไมโกรธก็ไงนักปฏิบัติทำไงนิ้วเดียวแค่เนี้ยไม่ได้เลยได้ไหมนี่ไงกว่าจะเป็นพระเจ้าเห็นไหมว่าโดนินพระราชาก็เดินจากไปเดินจากไปก็ แนดินก็ที่จริงเนี่ยอมาตเข้าไปกราบแล้วก็เอาเอาแขนไปต่อเอาขาไปต่อนะแล้วก็ไปขอขมาบอกโอ้อย่าให้เป็นพราะรู้รู้พลังท่านนะโพธิสัตว์ท่านมีกําลังฤทธิ์สูงมากถ้าท่านจะโกรธแล้วก็ทําไฟให้ไหมเมืองนั้นทั้งเมืองก็ได้ทำให้วิบัติก็ได้ก็บอกว่าขอขอพระโพธิสัตว์เนี่ย ขอท่านดาบทอย่าได้โกรธชาวเมืองเลยถ้าจะโกรธก็ขอให้โกรธพระเจ้าเป็นดินองค์เดียวเถอะเพราะว่าชาวเมืองไม่รู้ด้วยในกรุงพระนศีเนี่ยไม่รู้หรอกว่าไงเด้อไม่ได้คิดประทุษล้ายท่านดาบทก็ว่าดูก่อนอมาอาตมาไม่โกรธระราชาขอให้พระราจงบนคู่มีความสุขมีอายุยืน ขอให้ปราศจากความทุกข์อย่าได้เดือดร้อนเลยก็ใจอาตมาเป็นอย่างนี้อาตมาจะไปโกรธชาวเมืองเวลานสศีทั้งหมดได้ยังไงเล่าพราะมาเนี่ยเป็นเป็นผู้เจริญคันติไม่โกรธไม่เกลียดไม่พยาบาทไม่อาฆาตไม่จองเวรขอให้ท่านทั้งหลายจะเป็นผู้มีความสุขเถอดแล้วท่านก็มรณาภาพแล้วท่านก็ตาย พระเจ้าไปดินเดินไปพอรับสายตาของพระบรธิสัทก็จมลงไปในดินมิดเลยนี่ไง เ, เข้าใจว่าเห็นไหมว่าเออตรงเนี้ยที่พูดให้ฟังก็คือว่า๋อการคิดสาวหาเหตุปัจจัยเนี่ยว่าทำไมเราเป็นคนโขขี่โกรธเพราะเราไม่ได้เจริญอโทสะคือสภาพความไม่โกรธเพราะเรารักษาศีลแต่รูปแบบ เราไม่เคยทำตัวกุศลศีลให้เกิดขึ้นในชีวิตได้จริงและเราไม่เคยฝึกพลังของเมตตาให้เกิดได้จริงเราจึงกลายเป็นคนโกรธง่ายเราจึงเป็นคนพยาบาทง่ายเราจึงเป็นคนที่ทนอะไรไม่ค่อยได้เพราะเราไม่ได้ฝึกฝนตนเองให้เต็มรูปแบบเต็มศักยภาพจริงๆเขา้าใจยางนี่เขาจคิดสาวหาเหตุปัจจัยได้ว่าเอ๊ะทาไมเราเป็นคนตนี่ทําไมเราเป็นคนขี้กโกรธ ทำไมเราเป็นคนที่ยึดติดเราทำไมเป็นคนเกียรติค้านเนี่ยต้องสาวเหตุปัจจัยแล้วเราจะเห็นนี่ยอาคิดหาเหตุปัจจัยแล้วก็แก้ไขปรับปรุงตนเองได้อย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นฝึกตัวโยนิโสมนสิการเนี่ยถามว่าฝึกยากไหมก็ยากกระตรงที่ว่าถ้าเราตั้งใจฝึกจริงๆได้นะตรงนี้ตัวโยนิโสด้เป็นปัจจัยของปัญญานี้เป็นต้น เพืออมาใช้เวลาค่อนข้างเยอะในวันแรกๆเนี่นะเหตุผลเพราะว่าต้องการที่จะให้เราได้เกิดความเข้าใจแล้วก็มาฝึกในการที่จะเออจริงๆก็คืออยากจะให้เราได้เกิดความเข้าใจพื้นฐานนะชิจริงเอามาพูดครั้งนี้จริงๆไม่ได้พูดพื้นฐานนะพูดโดยรวมนะเนี่ยเดี๋ยวต่อไปก็ให้ฝึก ที่จะทำฝึกในเรื่องของศีลในเรื่องของปรับศีลให้ให้ให้เข้าที่แล้วต่อไปก็จะฝึกในการที่จะเจริญในการปฏิบัติกันในการปฏิบัติเออในคอร์สการอบรมนี้เราฝึกกรรมฐานที่เป็นหลักเลยคือการเจริญอาณาปณะสติคือการกำหนดดูลมให้ใหญ่เข้าออกแต่ก็มีกรรมฐานรองอื่นๆ น, นะเช่นเจริญเมตตากันยังไงนะ เจริญเมตตาพรหมวิหารเป็นต้นยังไงหรืออาจจะเป็นการเจริญมรณ า, านุสติอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีกรรมฐานที่สําหรับบุคคลยังไม่สามารถดูลมหายใจเข้าออกได้แล้วก็จะมีกรรมฐานอื่นเป็นตัวปรับพื้นฐานเช่นเจริญพุทธคุณก่อนยังไงเจริญมรณ า, านุสติก่อนยังไงเจริญพรหมวิหารคือเมตตายังไงเป็นต้นใชอเป็นตัวปรับฐานที่เป็นสภาวตกากรรมฐานเป็นฐานของการที่จะเข้าไปสู่การเจริญอนานาปันะสติ เดี๋ยวเราเข้ามาอีกช่วงหนึ่งก็จะมีการบอกเรื่องการฝึกซึ่งเวลาของพวกเราเนี่ยจากัดเยอะก็พยายามอยากทีให้ได้ประโยชน์เต็มที่เดี๋ยวช่วงนี้เราก็พักเบรกไปทานน้าปันณากันก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกลับเข้ามาก็จะได้มาสนทนาเรื่องเรื่องการเจริญกรรมาฐานกันแล้วก็หรือปรับในเรื่องของทานกุศลศีลกุศลยังไงแล้วก็เข้าสู่การหมุนการฝึกในการปฏิบัติกัน น่าพอใ